ภันษาวันพุงนี้อยู่แล้วในพันษานี้การอบรมด้วยวิธีประชุมอย่างนี้ไม่ค่อยมีห่างๆไม่เหมือนทุกปีซึ่งสุขภาพก็พอเปลียนไปแต่ปีนี้เนื่องจากความยุ่งเหยิงเกี่ยวกับ หน้าที่การงานที่มีผู้มาเกี่ยวข้องเสมอทั้งประชาชนพระเนรตามสถานที่ต่างๆมาก็ต้องได้พูดเรื่องอัดเรื่องธรรมให้ฟังและไม่มีเพียงคณะเดียว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 ออกปรรษาแล้วก็ยังก็ยิ่งจะไม่มีเวลาประชุมอบรมดังที่เป็นมานี้มแม้อังห่างก็ตามเพราะงานยุ่งมากยุ่งทั้งภายในวัดทั้งนอกวัดตามปกติก็เป็นอย่างนั้นนี่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 ันเป็นความโลภโลเลยียาแห่งพระที่แสดงอาการโลภโลเลนั้นยากมากยิ่งกว่าคนหรือคารวาวทั่วไปหจังนั้นก็สอนให้ไม่คุกคีทั้งกับพระเพื่อนฝูงด้วยกันทั้งกับประชาชนให้อยู่เป็นเรื่องของบุคคลผู้เดียว ในบาลีท่านว่าอสังสักนิกาไม่คุ้ครีมั่วสมซึ่งกันและกันมันหาประโยชน์ไม่ได้นอกจากกิจจำเป็นที่เกี่ยวข้องกับอัดกับ ร, รมซึ่งจะควรสนทนากันเป็นการเป็นเวลาเท่านั้นแล้วก็นิเวศ ก, กตาเนี่ยฟังดิชอบสอ น, นให้เข้าสู่หาที่ที่นิเวกที่สงัด คำว่าสงัดก็คือสงัดทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นนสิ่งเหล่านี้จะต้องสัมผัสสัมพันอยู่เป็นประจำส่วนมากสิ่งที่มาสัมผัสนี้มักจะเป็นไผ่ถ้ามันมีท่าต่อสู้ท่าพินิจพิจารณาท่ากล่านท่ากรองแล้วยังไงก็เป็นไผ่ ตาเห็นเป็นอย่างไรหูได้ยินเป็นอย่างไรพระยานทรามจึงให้สั ง, งัดใหม้มีเวกส ง, งัดในอยาย a s ะทั้งหกนี่เป็นหลักสำคัญตาหูจมูกปลิ้นกายเมื่อสิ่งนี้ส ง, งัดไม่นำสิ่งใดเข้ามากวน จิตใจใจก็จะสงบได้ด้วยวิธีการบําเพ็ญอยู่เสมอในที่สงบเช่นนั้นวิริยารำพานั่นใหนประกอบความภาคเพียรอยู่โดยสม่ําเสมอไม่ลดลักคําว่าวิริยารำพานในสถานที่นี้ไม่ได้หมายถึงให้ภาคให้เพียรในกิจการงานทั้งหลายเช่นการกอ่อการสร้างการยุ่งเหยิงวุ่นวายต่างๆ แต่ให้เคียนเพื่อละเพื่อถอดเพื่อถอนกิเลสซึ่งมีอยู่ภายใ น, ในใ จ, จิตใจนี้ให้เหมาะสมกันกันกบทำสามสี่ข้อที่แสดงมาเบื้องต้นนั้นมีวิเว ก, กตาเป็นสำคัญนี่ว่าประกอบความภาคัคี เพียนอยู่โดยสม่ำเสมอคือความมีสตินั่นแหละท่านเรียกว่าความเพียนไม่ใช่แต่นั่งภาวนาเฉยๆแล้วหาสติไม่ได้เดินจงกรมหาสติไม่ได้ความเพียนในท่าใดก็าตามที่หาสติไม่ได้ไม่จัดว่าเป็นความเพียนคำว่าความเพียนนี้ต้องมีความตั้งอกตั้งใจมีความจดจอ่อ ด้วยความระมัดระวังโดยความมีสติเป็นพื้นฐานเรื่องของปัญญาก็ก้าวไปเรื่อยๆในสิ่งที่ควรจะพิจรารณาและการเวลาที่ควรที่ควรจะพิจรารณาสําหรับสตินั้นเป็นพื้นเป็นฐานอันสาคัญละไม่ได้นั่นะสนทนากาันละเรื่องธรรมอย่างนี้สนทนาก็สนทนาเพื่อบําเพ็ญ ไม่ใช่สนธนาเฉยๆเศีลก็ให้รักษาด้วยดีนะพระเราจะมีความสดสวยงดงามมีคุณค่ามีสงาาส่าราศีด้วยความเป็นผู้มีศีลนะสมาธิถ้าไม่อาศัยธรรมที่ผ่านมาแล้วนี้เป็นเครื่องสนับสนุนแล้วสมาธิก็เกิดไม่ได้พยนานาคจึงต้องอาศัยธรรมเหล่านี้ เป็นเครื่องสนับสนุนให้บำเพ็ญจิตใจด้วยความสะดวกจิตแล้วจิตดยความด้วยความมีสติจิตก็จะสงบลงได้ที่ว่าจิตไม่สงบเพราะอะไรก็เพราะยาพิษนั่นเองเผาจิตให้ดิ้นรนกวดแกวงอยู่ตลอดเวลาถ้าทำแล้วไม่ดินน้นรนสิ่งที่เป็นข้าศึก ข, ของธรรมนั่นแหละทำใจให้ดิ้นรนกอดแกวงอยู่เสมอ ไม่ว่าใครใครเป็นอยู่เช่นนั้นนี่เราเป็นนักบวชและนักปฏิบัติต้องได้ใช้ความเพียรเพื่อจิตให้ได้รับความสงบนี่แหละสมบัติของพระคือศีลหนึ่งศีรษะสมบัติสมาธิ่หนึ่งเป็นสมาธิสมบัติทุกขั้นของสมาธิเป็นสมบัติของพระผู้มีหน้าที่ อย่างเดียวเท่านั้นปัญญาเป็นสมบัติของพระวิมุตติบุญพ้นเป็นสมบัติของพระที่จะควรได้รับจากธรรมที่กล่ามาเบื้องต้นโดยลำดับลำดาบไม่นอกเหนือจากนี้เลยหลักใหญ่ที่สุดที่พระเรามุ่งมั่น ที่พระเราจะต้องตั้งหน้าตั้งตาประพฤติปฏิบัติก็คือศีลสมาธิปัญญาวิมุตติหลุดพ้นและวิมุตติยานัศนะในธรรมสันเลขาธรรมสิบประการนี้ให้มีความเกี่ยวเนื่องกันเป็นลำดับตำราทาส่วนละเอียดที่กล่าวมาตอนสุดท้ายนี้จะไม่นอกเหนือไปจากอํา ความเพียรที่กล่าวมาแล้วนั่นเลยมีเวลาออกพรรษาแล้วตามปกติในครั้งพุทธกาลท่านจะสอนให้ออกเที่วิเวกสงัดสถานที่ใดเป็นที่เวกเป็นที่สงัดที่ประกอบความภาคเพียรสดวกแล้วให้ไปสถานที่เช่นนั้นเช น, นั้นถ้าเราต้องการครองมรรคผลนิพพานเราก็ต้องนำเนินตามหลักแห่งสวงขาตธรรมที่ตรัสไว้ชอบแล้วเหล่านั้น ดังที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนพระภิกษุในครัง้งพุญกาลนั้นน้อมเข้ามาสู่ความเป็นภิกษุของเราการปฏิบัตินั้นให้เป็นเรื่องของเราในใจออกพรรษาแล้วก็อยู่ไปที่ไหนก็ไปแบบเซ่อเซอซา ซ, ซ, ซ, ซไปที่ไหนก็ไปแบบความขี้เกียจขี้ค้านครอบหวัวไปสิ่งใดที่เคยเป็นเรื่องของกิเลสบีบบังคับก็ให้เป็นเรื่องของกิเลสบีบบังคับไปเรื่อยๆ เปลี่ยนก็เปลี่ยนตั้งแต่สถานที่จากที่นี่ไปอยู่ที่นั่นแต่เรื่องอุบายวิธีการแห่งอัดแห่งธรรมที่จะควรเปลี่ยนแปลงแก้ไขถอดถอนกิเลสนั้นไม่เปลี่ยนไม่ทำกิเลสก็ไม่เปลี่ยนเคยบีบบังคับอยู่อย่างใดก็ต้องบีบบังคับอยู่เช่นนั้นการออกเที่ยวหาที่เวกสงังข ก็ไม่เห็นมีความหมายอะไรถ้าไปแบบที่กล่าวนี้ต้องไปแบบพระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนไปแล้วนั้นท่านผู้ทรงมากทรงผลท่านทรงด้วยการประพฤติปฏิบัติด้วยความจริงจังจริงๆในจิตใจไม่ใช่มาทำเล่นๆแล้วหลอะแหลกดังที่เห็นอยู่นี่ผมพูดจริงๆนะผมหนักอก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 แม้จะไม่เป็นความเสียหายอย่างใดก็าตามการเคลื่อนคาดอันหาเหตุผลไม่ได้ก็แสดงถึงจิตใจที่ตืดจางว่างเปล่าจากอัดจากรมจากความตั้งอกตั้งใจจากความจดจ่อมันจึงเป็นอย่างนั้นได้มันบอกว่าประชุมการบอกเพื่อนฝูงพริยามเพื่อนฝูงประชุมก็ต้องก่อนเวลาพอสมควรอันนี้ถึงเวลาที่บอกแล้วนั้น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 หาไม่ได้ไม่คิดไม่อ่านทำไปอย่างแบบที่ว่าศัก์แต่ว่าทำไม่ได้มีเจตนาอะไรรอบครอบในความคิดการกระทำของตนนั่นเลยนั่นนั่นประกาศไปอย่างนั้นผู้ที่ตั้งใจประพฤติปฏิบัติทำไมจะไม่สะดุดใจในเรื่องเช่นนี้เพราะไม่น่าจะมีาการสั่งสอนมู่เพื่อนก็สอนเต็มอัดเต็มทำเต็มสติกาลังความสามารถ ความลำบากลำบนอะไรทั้งหมดก็เพื่อเพื่อนสูงและประชาชน ญ, ญาติโยมสรุปลงแล้วก็ว่าเพื่อโลกเพื่อผู้อื่นแล้วก็สอนอย่างเต็มภูมิกำลังวังชาก็รู้สึกว่าอ่อนลงอ่อนลงทุกวันนี้บอกชัดๆอย่างก <c oughs> ารทีอ่อดทนอยู่กับหมูกับเพื่อนนี้เขาเรียกว่าใช้ความอดทนจริงๆถ้าธรรมดาตามนิสัยมาสนางตัวเอง ซึ่งอาภัพอยู่แล้วไม่อยู่ที่ไหนสะดวกสบายตามที่เคยอยู่มาเป็นมาจะไปสถานที่ฉันนั้นใน้เรื่องที่จะคิดกลัวลำบากลำบนสิ่งนั้นสิ่งนี้ปัจใจรศรีกิวรนบินตบาทเสนาสนะกีฬานักเพศสตร์ยาแก้โรคแกภัยนั้นเราแน่ใจว่าไม่สนใจเพราะเคยเป็นอย่างนั้นมาแล้ว ในหัวใจดวงนี้ในเวลาประพฤติปฏิบัติไม่เคยสนใจกับสิ่งใดนอกจากจะฆ่ากิเลสให้บรรลัยไปจากหัวใจโดยไม่มีอะไรเหลืออยู่บนหัวใจนี้เลยเท่านั้นแล้วสิ่ง น, นี้เป็นเรื่องใหญ่โตที่ไหนเรื่องกิเลสบีบอยู่บนหัวใจเป็นเรื่องใหญ่โตมากทุ่มลงไปที่ตรงนั้นมันก็หายหมดไอเรื่องเหล่านี้ นี่ก็ทนอยู่กับหมู่กับเพื่อนเนื้ยว่ายิงออกปัรษานี่ก็จะหลั่งไหลมานี่โอ้เต็มไปหมดไม่รู้จักประมาณนะไม่รู้จักความพอดิบพอดีนี่ก็หาประมาณไม่ได้แสดงหรือสอให้เห็นอยู่อย่างนั้นแหละเน ม, มากอะไร<ม>ยิ่งล้นล้นเข้ามาตอนออกปัรษาแล้วนี่แหละพระ ตามปกติแล้วมากขึ้นเดิมดับยิ่งกว่าในพรรษาเวลาเข้าพรรษามาแบบไม่ไม่อ่านแต่ตองอะไรมากขึก้นก็ดันเข้ามาดันเข้ามาทีนี้ดันเข้าม า, <c oughs> า, ม, ามันเป็นเรื่องของตัวคนเดียวมันก็ความขวดมันเกี่ยวกับหมู่กับคณะกับครูกับอาจารย์ที่จะเป็นภาระทุกสิ่งทุกอย่างเช่นเดียวกัน ทำไมจะไม่นับในนั้นหมู่เพื่อนเวลาออกพรรษาแล้วให้ไปหาที่ที่ใดที่บอกตะกี้นี้หรือจะเข้าไปเทศบาลหนึ่งเทศบาลสองได้อาจจะ้ทำวิเศษวิสูมาอวดก็เอาเราไม่ห้ามเพราะเราสอนทุกแง่ทุกมุมแล้วนำธรรมะของพระพุทธเจ้ามาสอนเต็มสติกำลังความสามารถทุกสิ่งทุกอย่างไม่มีลี้รับหรือไม่มีปิดบังอะไรไว้แม้แต่น้อยเลย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 การริยาแสดงออกแห่งความเลอทรามเหล่านั้นของพระก็จะไปกระเทือนจิตใจของผู้ได้เห็นได้ยินไม่ฟังหาประมาณไม่ได้กระเทือนไปหมดทิพายไปหมดล่มจมไปตามๆกันนั่นเป็นของดีไหมสิ่งใดที่ขัดต่ออัตตตธรรมของมือเจ้าแล้วเราอวดดีปวดดีนําออกไปใช้ก็มีแต่เรื่องของกิเลสที่คอยจะทําลายทำหรือแทรกแซงทำในตลอดเวลานี้เท่านั้น ถ้าเป็นลูกศิษย์มีครูจริงๆก็ต้องออกหาที่เวทหาที่สมัดที่ใดจะสะดวกแก่การบําเพ็ญธรรมที่นั้นเป็นเป็ น, ปนที่มงคลแก่หัวใจของเราและรัวของเราเรื่องปัจจัยสีเป็นเครื่องเพียงอาศัยไปวันหนึ่งวันหนึ่งเท่านั้นพอยังชีวิตอัตภาพให้เปลนไปขอให้บําเพ็ญอัตธรรมเต็มหัวใจ แล้วเป็นที่พอใจของผู้ปฏิบัติเพื่อมุ่งอัดมุ่งธรรมอย่างยิ่งคือมรรคนิพพานเพราะมรรคนิพพานที่ว่าอยู่ชั่วเอื้อมในขั้งพุทธการฉันใดก็อยู่ชื่วเอื้อมในครั้งนี้เหมือนกันโดยมีหลักศาสนธรรมของพระเจ้าเป็นเครื่องประกันไม่เป็นอย่างอื่นเพราะศาสนธรรมนี้เคยแก้โรคแก้สงสารเคยสังหารกิเลสอาสวะซึ่งเป็นภัยตดจตใจของจัตโโลก ให้พินาศยิบหายไปได้ครองบรมมาสุขมามากต่อมากแล้วจนนับไม่ได้นอกจากนั้นยังเป็นอุปนิสัยปัจจัยแก่ผู้ได้บําเพ็ญตามหลักศาสนธรรมของพระเจ้ามานี่จํานวนมากเท่าไหร่นี่แหละธรรมนี้จึงเป็นธรรมที่ว่าอยู่แค่เอื้อมแค่เอื้อมของผู้ปฏิบัติเอื้อมเข้าไปที่หลักธรรมท่านสอนมาอย่างไรนั่นแหละหลักธรรมนั่นแหละคือจุดเอื้อมถึงตรงนั้นเถอะ เมื่อถึงหลักธรรมหลักวินัยนี้แล้วจะถึงมากถึงขึจนกระทั่งถึงวินุตบุตรนนี่เลยจะมีขนาดไหนไม่นอกเหนือจากธรรมมาวุติที่ได้ประกาศสอนแล้วตั้งแต่วั น, ว น, วนประวันตรัสรู้มาจนกระทั่งบัดนี้เป็นธรรมที่เรียงไกลที่สุดพระพุทธเจ้าด้เป็นศาสดาเองก็เพราะพระธรรมเหล่านี้ สาวกทั้งหลายได้เป็นแสนะของโลกมาก็เพราะทำเหล่านี้ทำที่โลกทั้งหลายได้กราบไหว้ก็เพราะทำศักดิ์ศิทธิ์ทำวิเศษสามารถที่จะปราบความชัวช่วช้าละโมกทั้งหลายตั้งแต่ส่วนหยาหยาบจนมาถึงละถึงกระทั่งละเอียดสุดให้ขาดสะบั้นไปจากใจของผู้บำเพ็ญของผู้ปฏิบัตินั้นโดยไม่ต้องสงสัยเลื่อยมาจนกระทั่งปัจจุบันนี้เพราะฉะนั้น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 พระพุทธเจ้าและสาวกท่านพระพุทธเจ้าท่านตรัสรู้โดยลำพังพระองค์เป็นสยามภูนั้นยกไว้เป็นประเภทเป็นเอกเทศของบรมศาสดาส่วนพระสาวกทั้งหลายนั้นท่านเอื้อมเข้าสู่มรรคสู่ผลจนกระทั่งได้เป็นสาระของพวกเราของสัตว์ของชาวพุทธทั้งหลายมาจนกระทั่งปัจบันนี้ท่านเอื้อมไปจุดไหน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 กันแล้วกับค่าศึกค่าศึกย่อมจะหมอบราบหรือจิบบันไลไปโดยไม่ต้องสงสัยนี่จึงว่าสาวกทั้งหลายท่านก็เอื้อมในจุดนี้ท่านเป็นสาวกอาหารหันในครั้งพุจธการแปลกต่างอะไรไปจากหลักธรรมดักวินัยที่เป็นเครื่องมือหรือทางดําเนินไม่ได้มีแปลกต่างไปจากนี้ไม่ได้มีปลีดมีแวะไปจากนี้เลยพอให้พวกเราทั้งหลายซึ่งปฏิบัติตามพระว่าดคำดังสอนนี้ จะน้อยเนื้อต่ำใจหรือจะผิดจะพลาดไปได้จากผลที่พึงหวังไม่มีอะไรผิดพลาดถ้ายึดตามหลักทำหลักวินัยนี้ให้ถูกต้องดีงามแล้วก็เช่นเดียวกับพระสาวกทั้งหลายท่านยึดเพราะว่าคำอยางสอนของพระเจ้าไว้แล้วนั่นเองจะเป็นอะไรไปมันสำคัญที่ ในกิเลสก็ไปแบ่งสันปันส่วนเอาเสียทุกวี่ทุกวันทุกเว ล, เวลาทุกอิยาบททุกอาการของความเปลี่ยนนี่สิจะเป็นครั้งไหนก็ครั้งถอือถ้าลงกิเลสได้เข้าทําลายเหมือนกันกับไฟเผาตรงไหนไหม้หมดได้ทั้งนั้นไม่ว่าครั้งไหนถ้าไฟลงเด้เผาไหม้ตรงไหนแล้วต้องแหลกไปหมดแตกไปหมดนี่กิเลสมันเข้าตรงไหนมันก็เผาไหม้ไปได้ทั้งครั้งพุทธการกิเลสก็ไม่ได้กลัวไม่ได้กลัว คนที่เครื่องเซาซ่าคนที่เกียดกี่คร้านคนท้อแท้อ่อนแอคนหาสติหาปัญญาหาความภาคเปลี่ยนหาความอดความทนหาความสังวมไม่ได้กิเลสไม่ได้กลัวข้างไหนก็ข้างถึกแต่กิเลสกลัวคนที่มีธรรมโกนข้ามมา น, นี้หรือมีความเฉลียวฉลาดมีความภาคความเปลี่ยนมีความอดความทน มีความพยานมีความสังรวมระวังมีความจดจ่อกต่อเนื่องกันด้วยความทักเปลี่ยนไม่ลดละทอ้อถอยนี่กิเลสกลัวไม่กลัวไม่ได้ถึงจะกลัวขนาดไหนก็กกกกตามถอะยังไงกิเลส ก, ก็ไม่พ้นที่จะพังทลายเมื่อได้นำทำเหล่านี้ไปนี่หลเรียกว่าทำอยู่ในความเอื้อมของเราที่ยึดเอาไว้ทำจะเรียกว่าทมแค่เอื้อมก็ได้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 และธรรมนี้เท่านั้นที่จะให้ความเป็นที่มคูคุลแก่จิตใจของผู้บำเพ็ญตามไม่มีอย่างอื่นเพราะฉะนั้นสมัยใดก็ตามขอให้ยึดหลักสวครคธรรมนี้ไว้นี่เป็นอาการลิโกหาการหาสถานที่ไม่ได้สถานที่การเวลาไม่เข้ามาเกี่ยวข้องความริงเป็นความจรินของตัวเองอยู่ตลอดเวลานี่ลักใหญ่อยู่ตรงนี้มีเวลาออกปรรษาแล้ว พากันออกไปรู้ทปฏิบัติกำจัดนี่เลยหาที่มันนั่นละที่โลกเขาไม่ต้องการนั่นละยิเลสมันก็ไม่ต้องการแต่ทำต้องการเพราะเป็นช่องว่างที่จะทำได้ต่อสู้กับกิเลสได้อย่างสะดวกสบายแา่ที่นายมันหนาแน่นด้วยความนิยมชมชอบของโลกของสารนั่นมันเป็นเรื่องของกิเลสร้อยเปอร์เซ็ตทำก้าวออกไม่ได้แสถานที่ใดโลกเขาไม่ยินดี เพราะกิเลสไม่ยินดีกิเลสกับโลกมันดีด้วยกันสถานที่เช่นั้นแหละเป็นที่เหมาะสมกับผู้ปฏิบัติอะไรก็ตามให้ได้เห็นเหตุเห็นผลและได้สัมผัสสัมพันธ์กับตัวเองนั่นแหละเป็นที่เหมาะสมที่สุดทุกให้เจ้าของได้เห็นทุกในท่าต่อสู้ไม่เป็นไรเอาทุกไปถึกทุกแบบไม่เป็นท่าทุกแบบหาทางออกมาได้ทุกทุกแบบจนกรอกจนมุมนี้โลกเคยเป็นมามากกว่มากเราก็เคยเป็น ทุกแบบนั้นไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรแต่ทุกเพื่อความภาคความเพียร น, นี้เป็นทุกที่มีสาระสำคัญมากเป็นทุกที่มีคุณค่าเป็นทุกที่จะหนุนเราให้บนึ่พ้นจากความทุกข์ทั้งหลายกลายเป็นความสุขอย่งตั้งถึงบรมสุขขึ้นมาเพราะสถานที่เช่นนั้นคือที่อดอยากขาดแคลนที่ที่ว่าเกิดความทุกข์ความลำบากลำบ น, นความเพียรก็เหมือนกัน เรื่องความเพียร น, นี้ต้องหมายสติปัญญาเป็นสําคัญยาเพียงอดเฉยๆเช่นอย่างอดเท้าก็อดเฉยๆไม่มีความเพียรอันนี้ใช้ไม่ได้เลยดีไม่ดีผิดเป็นอัตตะกิริยามาฐานโยคทาความลําบากแก่ตนเปล่าๆไม่เกิดประโยชน์ที่อดนี้เพื<ม>่อให้เป็นอัตเป็นธรรมก็คือเป็นเครื่องช่วยเป็นอุปกรณ์อันหนึ่งแต่ความเพียรทั้งหลา เช่นธาตุขันของเรามันมีกำลังรับทานอะไรหรือขันอะไรลงไปมีกำลังเมื่อมีกำลังแล้วกำลัง อ, นนอันนี้มันก็ไปเสริม่ายกิเลสเสียกิเลสก็หนุนหัวใจบีบบังคับหัวใจให้ก้าไม่ออกสติตั้งไม่อยู่ปัญญาหาทางก้าวออกก้าวเดินไม่ได้เลยดังนี้เป็นต้ น, นเคยแล้วนี่ นี่ละที่ว่าอดทอาหารเราจึงต้องในพลกแพง่งเปลี่ยนแปลงหลายสรนหลายคมเอาพรเป็นยังไงพรเห็นว่าดีแต่ยังไม่ถึงใจเอาอดนั่นความเพียรไม่ถอยในขณะที่อดนั่นแหละเป็นขณะเป็นเวลาที่ประกอบความเพียรที่เน้นหนักที่สุดมากที่สุดยิ่งกว่าเวลาธรรมดาเพราะได้ทำได้สะดวกสติก็ตั้งได้ ไม่ลม้มง่ายๆเนี่ยปัญญาก็ออกได้ง่ายและคล่องตัวไม่อืดอาดเหนื่อยหนายไม่ไม่แบบจนกรอกหาทางออกไม่ได้เหมือนเวลาที่อิ่มหนำซ้ำํานด้วยปากด้วยท้อง เ, เมื่อเราเห็นอยู่ชัดๆในการประกอบความภาคเพลยนของเราด้วยวิธีการมีอดอาหารเป็นสาคัญเป็นต้นเราถึงจะทุกข์ยากลาบากขนาดไหนเราก็ต้องยอมอดยอมทน เมืออย่างเราเดินทางไปถูกที่ธุระกันดานลําบากลําบนแต่เป็นทางไปสายนั้นเราต้องฝืนเราต้องเดินเราต้องทนทุกข์ไปจนกระทั่งถึงผ่านจุดนั้นไปได้ถ้าไปทางอื่นมันก็ไปไม่ได้มันไม่ถูกทางทางนี้ขุขะทางนี้ลําบากธุระกันดานก็จําต้องไปเพราะไปแล้วถูกจุดหมายปลายทางนี่ก็เหมือนกันเราอดเราไม่ใช่ออดเฉยๆเพื่อมรุญนิพพานด้วยการอดเท่านั้นแต่การอดนั้น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 ที่เราผึงหวังนั้นได้เป็นลําดับลำดาสมมากสมหมายก็ต้องทนต้องอดไปเรื่อยๆ เ, เนี่ยการประกอบความเพียรที่ว่าอดทหารเป็นความถูกต้องคือถูกต้องเป็นการสนับส น, นุนทางด้านจิตใจแต่เมื่อมีเรารับทานเราฉั น, นมากๆเป็นยังไงพี่นาจิตสติหาไม่ได้เลยตั้งตั้งภาพหายเงียบตั้งภาพหมาเงียบผมต้องขออภัยผมเอาตัวเป็นผมเป็น พยานก็ได้เลยไม่สงสัยเพราะผมเคยเป็นมาแล้วเวลามีกำลังมังชาออกปฏิบัติเพราะธาตุขันของเรามันยังหนุ่มยังน้อยอยู่นี่กำลังมังชาก็มีเมื่อเป็นเะนั้นกิเลสมันมันก็มีกำลังเพราะสิ่งนี้หนุนมันมันทำภาวนาเข้ามาลเรื่องพอตั้งสตินี่ล่มถอยล่มถอยปัญญาจะมาจากไหนเมื่อเป็นเช่นนั้นพยายามทาอยู่ขนาดไหนมันก็เห็นอยู่อย่างนั้นชั ด, ชด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 เมื่อธาตุขันธ์มีกออมาําลังมากๆแล้วกิเลสตัวอื่นๆไม่ค่อยแสดงอะไรมากนักตัวราคะเป็นสําคัญไม่ถึงกับว่ามันมาแสดงทางกายนะมันเป็นอยู่ภายในจิตให้รู้อยู่ทั้งๆ ท, ที่เราจะฆ่ามันเมื่อมันมาแสดงให้เห็นต่อหน้าต่อตาธาตุขันเราอยู่แม้ภายในจิตเท่านั้นมันไม่เสียใจได้อย่งไรคนเรานี่แหละที่ว่ามันมันแสดงไม่ได้ถึงว่าเป็นตามอวัยวะอันนี้มันไม่ออกมไม่เป็นเน่ยพราเตรียมจะฆ่ากันอยู่แล้ว เป็นเพียงว่ามันแสดงอยู่ที่ต้นต่อของมันก็เห็นได้อย่างชัดๆัดนี่มันแสดงอยู่อย่างนั้นแล้วถ่าทายเราอยู่ยงั้นเป็นยังไงเรานะักปฏิบัติเราเป็นยังไงกิเลสมีราคาเป็นต้นถ้าทายอยู่ภายในหัวใจนั้นแสดงอยู่ให้เห็นอยู่ชัดๆัดมันจะไม่มามีกำลังหรือไม่อาจฐานที่จะมาแสดงออกทางร่างกายก็ตามแต่เพียงเท่านั้นมันก็เจ็บมันก็แสบพอแล้วเจ็บแสบมากที่สุด เลยนี่ลหละที่มันทำให้เกิดอะไรๆขึ้นมาในทางด้านธรรมะหรือความเคียดความแค้นจต้องหาวิธีต่อสู้กันให้อันนี้ราบลงไปจนได้นัก็ต้องหาอุบาขเช่นผ่อนอาหารเป็นยังไงมันจะช่วยได้ไหมอดอาหารไปยังไงช่วยได้ไหมก็ต้องทดลองหนูเมื่อทดลองเห็นผลแล้วพอเห็นผลแล้วจับติดเลยเอาเรื่อย อดเลื่อยทำเลื่อยทางนั้นก็ค่อยดีที่นี่ก็ไอเรื่องที่แสดงเป็นความเจ็บแสบภายในหัวใจของเรานั่นมันก็สงบไปสงบไปแล้วเงียบบางครั้งเหมือนก็เป็นพราญน้อยน้อยขึ้นมาอย่างหนึ่นั่นเพราะสติดีปัญญาก็เหมือนกับว่าทันความจริงทันเฉยๆนะยังฆ่ากันไม่ได้เท่านี้ก็พอ นี่เป็นผลแล้วเห็นผลแล้วนั่นแหละที่เดยเป็นความลําบากลาบนในการประกอบความภาเปลี่ยนยี่ห้อาาทางคุกขะหรือทางธุระกันดาลก็คืออย่างนี้แหละเรื่องการอดอาหารลําบากลําบนนี่ก็เหมือนกับทางธุระกันดารแต่ผลมันมีอยู่ทางมันจุดมันไปตรงนี้มันจะเห็นผลเช่นสติก็จิตก็สงบเมื่อสติตั้งได้ทําไมจิตจะไม่สงบจิตก็สงบแน่วลงไปได้เพราะสติตัง้งหน้ารักษาจิตใจได้ พิเรศไม่มาตกมาต่อยมาทุบมาตีหรือมาเตะมายันออกเหมือนอย่างแต่ก่อนให้ล้มถอยล้มถอยไปเหมือนแต่ก่อนตั้งไว้มันตั้งไว้อะไรมันก็อยู่ได้อยู่ได้นั่นแหละเมื่อจิตสติรักษาได้ตั้งอยู่ได้นานเท่าไรจิตก็มีความสงบนานเท่านั้นนานเท่านั้นนั่นหนุนกลายเป็นลําดับบัญดาสุดท้ายก็เป็นสมาธิได้เย็นใจได้เมื่อจิตเป็นสมาธิเท่านั้นเย็นเรื่องราคะตัณหาอะไรนี้ไม่มากวนจิต สงบเย็นสบายนี่มีความหมายแล้วในตัวของเราที่นี่นั่งอยู่ก็รู้สึกสบายเดินยืนอิยาบททั้งสิวรู้สึกสบายเพราะสิ่งที่เป็นภายตัวจับแสบนี่มันมันไม่เข้ามายุมาแยกรอกควนทุไตีเราอยู่ตลอดเวลาดังที่เคยเป็นมานี่เห็นคุณค่าของความสงบแล้วก็วขยับขึ้นเรื่อยอั น, นเรื่องเครื่องหนุนคือวิธีการ แห่งความเพียนทั้งหลายที่จะช่วยด้วยวิธีการต่างๆเช่นอุทาหารเป็นต้นนั้นถอยไม่ได้นานนั่นออเป็นทั้งมันเองผู้ปฏิบัตินั้นแหละจะเป็นผู้รู้เรื่องของตัวเองจะผ่อนสั้นผ่อนยาวจะอดมากอดน้อยทำมากทาน้อยทุกมากทุกน้อยไม่มีใคร ท, ทราบยิ่งกว่าผู้ปฏิบัติจะ ท, าทราบตัวเองและจะผ่อนผันสั้นยาว ก, กว่าตัวเอง ในเวลาปฏิบัติอยู่หรือทรมานตน อ, อยู่ก็เป็นเรื่องเจ้าของเป็นผู้จะต้องทราบเองนี่ผู้ปฏิบัติต้องใช้สติปัญญาพิณิพิจนาอย่างนี้ถ้าสักแต่ว่าทำมาทำมันไม่ได้เรื่องอะไรนาะ น, นี่แหละที่เคยพูดให้ฟังว่าที่เคียดแชนจนน้าตาร่วงน้ําตาร่วงจริ ง, รงๆไม่ลืมเลยพอเคียดแชนให้กิเลสตัวตัวนี้อ่ะตัวสำคัญมันเป็นอยู่ภายในหัวใจต่างหางนะไม่ได้มาแสดงอะไร แต่ก่อเราจะฆ่ามันอยู่แล้วมันยังมาท้าทายเราอยู่นี่ยังไงนั่ะฟังสิทาไมมันจะไม่เกลียดแค้นขอเรานี่เราที่ฟัดกันอย่างเต็มที่เดินฐานพอได้ที่จิตของเรามีความสงบแล้วนี่เราจะทําไงก็ทําได้นี่นั่นั่นเราความเกียดมันถึงกล้าเป็นตายไม่ได้คํานึงแหละขอให้กิเลสมันตายเท่านั้นส่วนเราจะตายเมื่อไหร่นี่มันไม่มันไม่ได้สนใจสนใจอยู่จตจุดเดียวว่าเจ้าให้กิเลสให้พังให้ตายอย่างเดียว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 เวลาฉันลงไปแล้วเป็นยังไงถ้าพูดถึงเรืองสมาธิก็เข้าดีแต่จะมีผิดนิดไม่มากก็ให้รู้อยู่นั่นแหละว่าสมาธิที่เป็นไปด้วยความอิ่มหนำส่ำราญเพราะการฉันจังจ่งฉเสร็จแล้วนี่ต่างกันแล้วปัญญาก็ก็เหมือนกันปัญญาที่เราฉันจั่งฉมีความอิ่มหนำส่ำรานธาขามีกําลังแทนที่มันจะคล่งตัวมันกลับไม่คล่องให้เห็นอยู่ชัดๆอย่างนั้นเมื่อเป็นอย่างนั้นมันก็ต้องได้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 นี่ปัญญาก็เราเวลาเราพิจารณามันก็ออกออกได้ตามกําลังของปัญญานั่นแหละถึงจะไม่มีความคล่องแคล่วแกล่กล้าขนาดแหลมคมขนาดไหนก็ออกตามภูมิมองสติปัญญาในขั้นเริ่มแรกที่เราฝึกขัดเพราะอาศัยการปดอาหารนี้เป็นเครื่องหนุนนั่นแหละหนี่มันเห็นได้ยอย่างชาดัชดๆอย่างนี้ะก็ปล่อยกันไม่ได้ล้วสิเป็นกับตายมันก็ต้องเดืพันกันไปนั่นเรื่องความทุกข์ความลำบาก เราไม่คิดแต่เพียงว่าความทุกข์ความลําบากอืเพราะการอดการหิวภาพเพียงเท่านี้เราคิดถึงเรื่องที่วันเราจะจมอยู่ในวัฏฏสงสารแบกกองทุกข์หาประมาณไม่ได้ต่อไปอีกนี้สักนานเท่าไหร่ถ้าเราไม่หลุดพ้นจากนี้แล้วยังไงเราจะต้องแบกกองทุกข์อย่างนี้ต่อไปจนหากําหนดกดเกณฑ์ไม่หาที่อยู่ที่หมายไม่ได้เลย<ม>เพราะฉะนั้นความทุกข์เพียงเท่านี้เราจึงไม่เห็นว่าทุกพอที่จะเกินเลือด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 ยังไม่ดีพอที่จะรู้รอบทุกขให้เป็นอริยสัจจังทุกขังอริยสัจจังเรียกว่ายังไม่รอบนานเอาทุกขนาดไหนเอา จ, จนกระทั่งทำมันเห็นชัดเจนไม่สนใจถึงเรื่องเป็นเรื่องตายทุกขภาคทุกน้อยเอาทุกไปเราจะตามหเห็นความจริงแห่งทุกที่แสดงอยู่นี้แยกนุ้นแยกนี่ดังที่เคยอธิบายฟังแล้วจนกระทั่งทุกนี้สว่างกระจ่างแจ้งขึ้นมาเห็นชัดเจนนี่คือทุกขะสับนาน แล้วมันไม่เห็นตายออืก็ยิ่งเป็นคติไปเรื่อยๆนี่ผู้ปฏิบัติจะต้องเห็นด้วยตัวเองเนี่ยที่ว่าอสัจธรรมเป็นของจริงเป็นจริงๆอย่างนี้นะไม่ใช่จริงมาเรียนมาจํามาเฉยๆเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยร้องครางยิ่งกว่าเสือถูกปืนออืไม่มีสติสตังล้มเหลวไปหมดนั่นมันมันเรียนจํามาสัจธรรมสัจธรรมในความจํำเฉยๆ สัจจะทมในความจริงนี้มันจะหมุนติ้วเลยเดียวให้เข้าถึงความจริงเข้าถึงความจริงจนกระทั่งถึงวาลาสุดท้ายที่จะขาดก้ให้รู้ไม่มีควาว่าถอยนี่เรียกว่าสัตจรทำของภาคปฏิบัติที่รู้ขึ้นมาประจำหัวใจจาของผู้ปฏิบัตินั่นแหละผู้มาปฏิบัติไม่รู้ไม่เห็นท่านจะประกาศสอนไม่างเพียงไรก็ตามก็จะไปว้าแต่ความจาความจานั่นแหละ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 เรื่องการเห็นเจอทาเป็นของจริงอ๋อจริงอย่างนี้เท่านั้นขราวหลังจะพิจารณาไม่ได้อย่างนั้นก็าตามความเชื่อที่เคยเป็นมานั้นจะไม่มีวันถอนเลยนะนอกจากว่าจะเอาลงให้ได้อย่างนั้นให้ได้อย่างนั้นเท่านั้นเองนี่นการประกอบความเปียนของพวกเราก็เคยอธิบายให้ฟังแล้วมันไม่ถึงเหตุถึงผลถึงพริกถึงขิงกันพอที่จะ ช, ช้เลี่ยลอกปอกเปิรดหรือร้อนตัวบ้างเลย มันมีแต่แค่กิเลสหัวเลาะเยาะนั่นสิมันถึงไม่ได้หน้าได้หลังอะไรนี่เรเรียบเหมือนกันนะการแนะนําสอนหมือเ่าเพราะสอนมูเพื่อนอสอนีอนอนความจริงความจังเหมือนกับการปฏิบัติมาของเจ้าของการปฏิบัติมาของเจ้าของก็เป็นอย่างนั้นไม่ได้ทําแล้วหลาะแล้วแหละทําจริงทําจังเป็นก็เป็นตายก็ตายก็ยเคยพูดแล้วว่าขึ้นเวนทไไไีไม่มีกรรมการนันฟังสีลงขนาดที่ว่าไม่ไม่ไม่มีกรรมการเด็ดหรือไม่เด็ด ถึงข่าจะตายก็อ่าให้มันตายให้มันเห็นจะจะทำในเวลาตายนี่น่ะมันไม่ได้ถอยแล้วก็มันไม่เห็นทายก็อยู่มากจนกระาทั่งทุกวันนีเทศสอนหมูสอนเพื่อนาโดยวิเราเป็นมาด้วยวิธีการใดทั้งเหตุทั้งผลก็จะสอนหมูเพื่อนให้เต็มเม็ดเต็ ม, มหน่วยเต็มที่กําลังความสามารถถ้ายังเห็นน่ายังไม่ถูกต้องแล้วก็ไล่เข้าไปนู่นสิไปตลาดเทศบาลหนึ่งเทศบาลสองให้เข้าดูงหูดุว่าแฝนคอแล้วเอามาอวดอาจารย์สิดูหูดวัวนี่ มันแข็งมกรกรุนิพานได้ได้หรือไม่ได้เหลือจะเสืกสังขึ้นมาว่านี่แหละตัวมรกผลนิพานจริงคือดุงูดูวัวนี่ก็ให้มันเห็นกันสิถ้าสอนอย่างนี้มันไม่ได้เรื่องเดี๋ยวหลาแล้วก็ไปดูวัวดูงูวั ว, วมรกแผนคอแล้วก็อวดโลกเขาดูสิเป็นยังไงก็มีแต่หมาแล้วมันจะวิ่งตามเพราะมันเห็นกระดูกนี่เฮอเรื่องคนที่มีสติปัญญามีสติอยู่เป็นธรรมดาของเหล่านี้จะมีความสุ ด, ดสังเวสไปทั่วหน้ากัน ดีมาดีตลาดแปตกเห็นพระอัศจรรย์แบบนั่นไปอนั่นแหะเขาเรียกพระอัศจรรย์เราจะปฏิบัติแบบไหนแบบพระอัศจรรย์นั่นเหรอก็ไปเอาดุงหัวดุงบแผนคอแล้วก็ให้มันอัศจรรย์ในตลาดนั่นเลอวินนาดีนีน่นสอนมาหมดแล้วนะผมสถานที่มีเวทสงัดพอหาได้ในป่าในเขาที่ไหน พออยู่ที่ไหนอยู่เถอะให้มันเห็นที่จนกรอกจนมุมได้ไปเจอเอาที่จนกรอกจนมุมนั่นแหละมันถึงจะเห็นเรื่องของตัวเองว่าเราช่วยตัวเองได้ขนาดไหนคำว่าอัตติโนนาโถนั้นเป็นยังไงพึ่งตัวเองได้ขนาดไหนให้มันเห็นไปอยู่ในที่เชนนั้นด้วยความมุ่งมั่นต่ออัตธรรมจริงๆเอาเอาทิ้งตายลงในศัสนจธรรมความจริงนี่ทุกอย่างแล้วยังไงก็เจอ เจอความจริงความประเสริฐเลิศเลยที่เราไม่เคยคาดเคยคิดไว้เลยนี่ละอัตโนตโนอาโทตนเป็นที่พึ่งของตน mm hmm. เวลามันจนกรอก็นมุมสติปัญญามจะขึ้นรับกันรับกันรับกันเหตุได้สติปัญญาเป็นเครื่องรู้แท้จะไม่รู้สิ่งที่ควรรู้กว่าเห็นมีหลอพระพุทธเจ้ารู้มาจากอะไรถ้าไม่รู้มาจากสติปัญญานั่นเมื่ อ, อยางลงไปแล้วต้องรู้ให้เห็นอย่างนั้นทีผู้ปฏิบัติที่ไหนมันสะดวกในการประกอบความเปลี่ยนให้หาที่เช่นนั้น แล้วเวลาไปแล้วไปหาก่อหาสร้างยุ่งเหยิยเนี่ยนะโันนี้ผมอินหนาละอาเจีจริงๆอะไปก็เหมือนกันแต่เป็นบ้าแต่เรื่องอะไรนี้มันบ้าอะไรอยิ่ว่าอย่างเราจะว่าซ้ําๆำแล้วซ้ ำ, ซำอยเรื่องบ้านเพราะตัวของผู้เป็นมันเป็นพื้นเลยบ้าตลอดเวลานี่เวลาเราพูดเราดุด่าวาา่าเก่าวถดุศีดุขาเพื่อนสูงนี่เพียงเป็นข้างเป็นข่าวอันความมันเป็นอยู่ในตัวของผู้นั้นน่ะมันเป็นพืชนหรือเป็นตัวอยู่เลย เป็นตัวบ้าอยู่ในตัวประจําตัวเลยนั่นเป็นยังไงมี่นาสิสอนเท่าไหร่ก็สอนแล้วมันยังไม่เห็นสิ่งมันังเห็นสิ่ ง, งนั้นว่าเวทประเสรเิฐเลิศเลยยิ่งกว่ า, ากฏธรรมปอยู่เป็นอยู่ยังไง้างทว่างหลักของศาสนาแท้คืออะไรเอาฟาดลงไปที่จิตภาวนาดิเมื่อเห็นนันนี้ชัดเจนแล้วมันมันหายต้องใสยหมดทุกอย่างนั่นแหละอ๋อการเทรกเกาะเปลี่ยนั้น เนอนะวันนี้เนื่อยเหน่อยนี่คําว่าโลกก็สามโลกเลยใครละได้ใครรู้ได้มันมีใค ร, รถูกมืดนิดติดตาด้วยจิเลสหมดเลยเหมือนกับเอาผ้าปิดตาไว้เมืเจ้าเปิดตาออกเปิดพระเนตรคือภายในประทัยออกเั้านั้นโลกหมดเลยอะโลกูตปาดีสว่างโลกทั้งกลางวานันกลางคืน โลกวิทูแจ้งหมดทั้งโลกนอกโลกในตลอดทอั้งหมดอันเรานี่ไม่เห็นไม่รู้พูดไม่ได้ mm. พระองค์เห็นพอเจอเท่านั้นนํามาประกาศโลกได้จังไม่ใช่พวกสถานเลยอ mm. เดินไปเห็นเสดเดือนมันก็อดคิดไม่ได้นะเ mm. สะเดือนอยู่ตามมันคืบมันค้านอยู่ตามนี่มันอดคิดไม่ได้นะเพราะมันจะเถื่อน กินนี่กับกินนั่นสะเทือนกันพอแม่ครูจรัเนีนะ่ท่านไม่มีใครเหมือนท่านอันนี้ก็ดีนะก็ท่านอยู่แต่ในป่าในเขาท่านไม่ออกมาเกี่ยวข้องกับผู้คนเลยใครจะไปตามหาท่านได้ไง่ายๆแต่ว่าใกล้บ้นนั่นก่อน้องผือท่าห้าหากไร่สิเดินไปแทบเป็นแทบตายคนเดินตาท่าน ท่านสะดวกในเยาวบทต่างๆของท่านนะเพราะฉันแล้วท่านก็ออกจากนี้แล้วฮรับเาห้องน้ำอืมปุติมีอะไรก็มือปุูต์จะบ้องเล็กน้อยนั่นก็เข้าวพักพอบ่ายทั้นก็ออกพักพักพอประมาณคนแก่จะไปพักมากอะไรอะไรนะเที่ยงันนี่เหนื่อยนะผม เท่ลาบากนะุฝืนไปเฉยเลยเท่ลำบากต้น า, กานมันเหนื่อยท่านอยู่ที่ไหนท่านอยู่สบายท่านอย่างนั้นตลอดวันโคกงมีไม่มีใครไปยุ่งท่านเลยเพใครไม่รู้แต่ก่อนไม่มีใครรู้ท่านท่านอยู่ท่านสบายสบายแต่ว่าน้ํามลก็แบบเดียวกันมันมีใครไปยุ่งท่าน ออกขนาดนั้นนวดไปนาสินวนอ๋อขนายนันไปห้อยแขนอยู่กับพวกโซ่พวกขาห้อยแขนนี่แล้วย้อนกลับมานาซีนวลปัญหาที่สบายสบายท่านนี่วิหารธรรมท่า น, นงๆไม่ยุ่งกับใครพวกโซ่พวกขามันห้อยแขนนั่นไปอยู่นั้นแล้วก็ย้อนกลับมาอยู่นาซีนวล น, นั่น วัดล่างของเขาผมไปเที่ยวภูเขากลับลงมาก็ไปหาท่านที่นี้มนานาชินวนก่อนเป็นดงหมดนี่แต่บ้านโคกงไปดงตางนั้นป่านั้นตรงนั้นท่านกับ ไ, ไปเผาศพน้องปู่เสาเนี่ยท่านอุตส่าห์ไปนะทเดินห้องก็มีลา เดินจากนาสินวร น, นี้ถึงนาแกมตอนนั้นก็ไปท่าพนมขึ้นรถไปพ อ, พอเผาศพเสร็จอย่างวันนี้พรุ่งนี้ท่างกออกเลยอยู่ไหนท่านมาจากนั่นเราก็ท่านก็นนกนมาอยู่วัดอมแก้ววัดอมแก้วเนี่ยหลงปู่เสานะาููดไปรสร้างไว้ตอนนั้นก็นกนมาฝั่งแดงอย่างผมว่าตนะั้งมาบัาน่นนามนตจำมาสาที่นามน นี่จะส่งสั่งั ด, งดคนแต่ก่อนคนไม่รู้ท่านก็มีแตพนี่แหละโยมนุ่มที่เป็นเคยเป็นลูกจิตนี่ไปหาท่านเอาล่ อ, อเบียนไป เ, เขาออกห้างเขามีมวลท่านมานอ้องผือท่านก็เดินทางมานะจากนู่นมานอ้องผือตอนนั้นผมไม่อยู่ผมเตี้ยวท่านมาถึงตอน เดินเมษายตอนเดินเหนื่อย่นผมจนกระทั่งเดือนม i mean ิถุนายนผมถึงมามาน้องน้อผือท่านน่ะมันก็อยู่นั่นเลยมั้มาอยู่บ้านน้องผือท่านก็เสมอเอียบทของท่านไม่มีเคลื่อนขัานถึงเวลาเดือนมีรมณั่งกัลงตอนบ่ายท่านออกจากที่เขาไปหาตอนท่านเล็กน้อยนั่นแหละจะใครจะพูดธรรมะ อะไรกตอนบ่ายตอนหนึ่งแล้วตอนปัดกวาดเดวอาบหน้าแล้วก็ตอนขึ้นไปท่าฉันน้ําร้อนเมื่องท่านในฉันน้ำเย็นนะผมดู ต, ดตั้งเกลดูฉันแต่นุ่งแต่ฉันแตน้ําร้อนแล้วก็หยุดเลยน้าร้อนน้ํำชาพิชาเชียงใหม่นั้นอะไรนะนั้นแปลว่าทิศนะเขาส่งมาเรื่อยๆม่ใหขาดจากเชียงใหม่ ชาเชียงใหม่ชาที่เขาหาเอาโดยเฉพาะนะเขาเรียกสามใบกับยอดสามใบกับยอดอย่างดีๆเข้ามาหลาม่มโ้ยหอมนะขน่นะส่งมาส่งมาเรื่อยๆจากเชียงใหม่เออนั้นยืนนั้นยืนส่งมาเรื่อยๆไม่มีใครฉันกับท่านนี่ไม่ใช่ท่านปกติผมก็วเลยเมลฉัน่น นชาฉันมันอ้อนนอกจากวันไหนจะเอาเล่งความเพียนจะไม่นอนนะ ว, วันนั้นฉันไปหาท่านานี่ที่ห น, น้าคิดนะเอาฉันชาละเนาะฉันชาละห้องคิดเดี๋ยวมุนีจะไปฉันชา คืชั้นชั้นชาตอนบ่ายๆหรือตอนเย็นนี่ชั้นชาจังใหม่นอนไม่หลับนะคือมันไม่ง่วงนอนชาจริงก็ไม่ง่วงนี่ของคนนะละผมเป็นนี้แนะ่งคนบอกเป็แปลกอยู่ดิสันมือไรลแต่สันซ่างแต่มือนันเอายายแล้วความเพียนนีตน่ตอนพวกเวลาสมาธิสมายังาเลย เขาไหมายถึงปัญญาอินทิวานั่นปัญญาโอวยแล้วเลยนั่นบางคำมัน น, น, นน้อนมันกูยังนอนมันจะไปง่วงอย่างเลยถ้ามาทีนี้มันง่วงตัวของธาตุขันกำลังกินกำลังนอนด้ยเห็นแล้วมันดัดจิตตลอดดัดธาตุดัดขันความเพียนผมพูดจริงนะผมนี่แม่ เขาติดคุกติดตารางผมผมไม่ได้จะเทียบนะเขาที่คุกติดตารางดูมันจะไม่ทุกข์เหมือนกับเราฟัดกับพิเลรกนะเราฟ้งดกพิเลยไม่มีใ ค, ครบังคับเราแต่เราบังคับเองตัวเองด้วยจิตใจของเราด้วยความมุ่งมั่นของเราอันมีกําลังมากถ้าพูดถ้าจะเทียบถึงเรื่องความทุกข์เนี่ยคนในเรือนจนํานี่เขาไม่ได้ทุกข์เหมือนเราเขากินข้าวเหมือนกับคนท้งหายกินกัน อนะทำงานเขก็จะหนักหนาอะไรนั่งหนาทุกเพื่อบีบบังคับอะไรนักงหนาเราเนี่บีบจริงจริง บ, งบังคับจริงจริงจริงว่าไม่ลืมอาความเพียรเนี่ยเรามันเป็นนิสัยหยาบเลยจะทําธรรมดาทั้งหลายไม่ได้ผมนิสัยเรามันหยาบกว่าลูกเพราะฉะนั้นจึงทําให้มันถ้ามันเหมาะมันทำนิสยัยเมื่อวันเก้า ไม่เห็นม่นเป็นความสะดวกสบายอะไรเลยก้าออกไปที่แรกรก็จิตมันก็บีบหัวเรามันก็ทุกข์อันหนึ่งเนี่ยพราะยังไม่หลักไม่เกีนไม่ได้หลักไม่เกียนภาวน า, าหลอกปอกเปลือกมิตรกิเลส ม, ม, มันฟาดออกทางไหนเวลาจะเอาให้กิเลสมันต้องบตัวลงไปใิใจจะได้สบายมันก็ต้องเอาหนักความเพียรเนี่ยมันมี่จะหนักหนักกันนะ มองหาระยะไหนทื่ว่าพอจะระยะที่สะดวกสบายผมพูดจริงๆนะสำหรับผมมันไม่มีถึงในพูดว่าในอะไรปัญหาบางข้ อ, อยังมีที่ตอบวันนั้ืทีทว่าตกนรกทั้งเป็นอยู่เก้าปีวันนั่นมันเป็นอย่านั้นจริงๆนี่จะให้ว่าไงคือมันไม่ไม่ไ ม, มีเวลาที่จะมองหรือได้ยินฟังอะไรเต็มหูเต็มตาขี้นะยิ่งเฉพาะเรื่องเรื่องรูปนิ้วโมโ้โปักกันใหญ่เลยเนาะ บังคับเปนอย่างใหญ่เลยนะอืมมันดูนี่ว่าเลยทีจะมันตั้งใจจะไปดูนิ้วไว้ไม่ได้เลยแหละนอกจากมันมองไปมันพลาดไปล้วไปเจอไปเห็นเนาะที่จะให้ตั้งใจดูนิ้วไว้ไม่เลยนะเพราะน่ะมันก็บังคับที่อย่างนั้นใช่ไหมล่ะที่ว่าลืมหูลืมตาไม่เต็มไม่เต็มหน่อยเล ย, เลยไม่ลืมหูลืมตาเลยนันก็ถูกนั่นจึงว่าบังคับจึงว่าดัดกันสิ มันอยากเห็นมันไม่มันมันอยากไม่ให้ทำเพราะอย่างนั้นเป็นความผิดมันอยากดูไม่ให้ดูเนี่ยมันอยากฟังไม่ให้ฟังนะมัไม่ได้สิ่งบังคับผยก็กตลอดแล้วนถูกเลยทีแล้วนอกจากนั้นึงเวลาความเพียรเอากันโดยลำพังกันเองมันมันลืมไม่ได้แหละในชีวิตของเรา เป็นกล้าพูดได้เลยว่า ง, งานการอะไรที่เราเคยทํามาตั้งแต่เป็นคารวาสจนมาตั้งถึงวันบวชพอ น, นักอะไรเราก็เคยหนาแต่มันไม่ไดีนม่ไถึงใจเหมือนอันนี้เหมือนหนักกับการฆ่าที่เลยอันนี้โอ้โหมันหนักเลยทุกอย่างทุ่มกันลงหมดหมดทุ่มกันลงหมดถึงขั้นที่จะวรชาติปัญญาเนี่ก็เอากันอย่างหนัก ไม่นอนก็ไม่นอนบางคืนก็ไม่หลับเลยตลอดรุ่งเลยถ้าเป็นความเพียนประเภทนี้มันเป็นอย่างนั้น่ะต้องในบังคับให้มันให้นอนนะไม่นั่นไม่ได้กลางวันมันก็ไม่หลับถ้ามันบังคับให้มันหลับบังคับด้วยด้วยสมาถะนะความสงบมันคุดไม่ตืนเรื่องปัญญาที่ทํางาน หังนับให้หมดเข้าสู่สมาธิสงบหลังนั่นหมือนก็พอหลับได้ทีมันก็ไม่หลับดูสิหนะ่ะบางบางข้าวแม่งมันให้มันสงบมันก็ใสแจ๋วอยู่กับความสงบนั <laughs> ้นมันมันไม่ยอมลงระวังหลับนี่มันสงบไปมันก็สงบไปได้วก็ข้อจิตเป็นสมาธิทาไมมันจะไม่ใสแจ๋วล่ะฮึใสในขั้นสมาธินะ่ะ มันสงบมันก็ใสแจ๋วอยนั้นมันอยู่นั่นเสียมันไม่ลงพอพอขยับปั้มมันก็พุ่งเลยพุ่งกับงานน่ะนั่นนั่นนะวันมันจะไม่หลับมันเป็นอย่างนั้นนะพ้าวันมันจะหลับขอให้เข้าในจิตสงบแล้วมันก็หลับไปได้กิตขั้นนี้ต้องบังคับเรื่องหลับเรื่องนอนไม่ไม่บังคับไม่ได้แต่มันอยากนอนโอ้ยแล้วเท่านั้น ที่จะให้มัง่วงเหงาหนอนนี่ผมยังระลึกไม่ได้เลยว่าผมง่วงเหงานอนในเวลาจิตสติปัญญาขั้นนี้ออกทํางางนยังไม่ยังลึกไม่ได้เลยนะฟังสิก็ได้บางคัาให้มันหลับมันนอนมันเพลินขนาดนั้นนะไม่ไม่งั้นเดนยังผมมันมั น, มนจะจนกระทัง่งถึงฝ่าเท้านี่ออกร้อนโอ้โหเหมือนไฟ ลนไฟเผาน่ะเนี่ยมันเวลาเรามาหยุดท้อบางทีก็ต้องเลยดูเอ๊ะมันท้าฝาเท้งแตกเลหรือ <c oughs> เราก็ไม่้เดินรวดเดินเร็วอะไรนะมันเป็นจังหวะของมันบางจังหวะข ม, มันก็มีเร็วท <c oughs> ่านเร็วแล้วโคมงคามเข้าป่าเนี่ยมันไปเร็วได้ไง <c oughs> เดินอยู่งั้นทั้งวันนึงสิหรจนถึงฉันเสร็มแล้วจนกระทั่งถึงเวลาปัดกวาดกี่ชั่วโมงดูสิ มันลืมไปหมดนั่นอ่ะนะเวลาเวลาเหน็ดเหนือ่อยเมื่อยล้ามันไม่ได้คิดนี่มันหมุนอยู่นี่นี่เวทีมันนี่นี่หัวใจมันคือเวทีโอ้มันชัดมันลืมได้มาแล้วก็เป็นสัจธรรมเอาอะไรมาลืม เ, เรื่องอะไรทําใจในโยมคมมันมากจะเข้าป่านะ่ะคือคือตาม มันไม่เห็นมันมันไม่ได้สนใจกิบไม่ออกมังกระตาก็เลยมัวเลยฟาเลยฟางมีแตห่หาก้าวไปเดินเดีวเข้าป่าโน่นเดินเเข้าป่ายับนะพอเข้าป่าเยยับเข้าป่าหน่อยกลับมาครับเดินเดี๋ยวเข้าป่าเงี่ยนแต่มันก็เพลินของมันไม่ได้สนใจนะว่า กลัวใครจะมาว่าอะไรทํำเป็นนึกมันอยู่นั้นเพราะจิตมันไม่ออกเนี่ยกินมันหมุน เ, นเพราะกิเลสอยู่นี่มันฟัดถึงภายในมันกินไม่ออกทุกอย่างยจะตามกับฟ้ากขาฟางมองอะก็ไม่เห็นเดินกับโคมค้างกัาป่า เพรมันเดินเรียวไม่ได้ถึงขนาดนั้นนึงออกร้อนป่าเท้าเพราะมันไม่เดินเพียงวันหนึ่งวันเดียวมันเป็นประจำไม่ว่าไงเดินอยู่างนั้นเป็นประจำกลางคืนมันก็เดินของมันอยู่นั่นออกจากสมาธิแล้วก็เดินอย่างนันออกร้อนป่าเท้าแต่พระโส้าท่านฝ่าเท้าแตกท่านเดินอยกลมท่านทำกมเพียนฝ่าเท้าแตกในประวตเมื่อ แต่ก่อนผมไม่ได้พิจารณาทัานเลยโยมฝ่าเท้าแตกทีนี้พอพอเรื่องของเราที่มันเป็นอย่างนี้แล้วมันก็วิ่งถึงการเป่งเลยนะไม่ต้องมายายบอกก็ตามแน่เลยแน่ครับความเพียรประเภทนี่วางกันเลยนะไม่งั้นอยู่วิเชีจรจะจะบังคับอยู่กองให้เดินโยมโจนนฝ่าเท้าแตกเหตุผลมันก็ยังไม่อำนวยถ้าเรื่องความเพียรดึงไปนั้นเออนั่น ฝ่เท้าแตกได้มันไม่มีเรื่อเวลาไ ม, ม่สนใจเรื่องเวลานี่อันนี้อะ็ เ, เหมือนกับนักมวยที่ต่อยบาเวทีใครจะว่าช้าว่าเร็วไม่ไปนสนใจอะไรกับระคังเวลาต่ อ, อยมันนั่นแหละถ้าลงใครไปแยบไ ป, าไปหาระครังก็ไม่ได้นะต่อยกันติดเพอรไม่ได้อันนี้มันก็เป็นแบบเดียวกันนี่ที่ว่าท่านฝ่าเท้าแตก ม, มันยอมรับเป็นที่อ๋อ ควมเปียนประเภทนี้วางกันเลยไม่เห็นแท่งกับตามมันมันยอมรับกันเลยว่าต้องควมเปลียนประเภทนี้เท่านั้นแต่เราไม่เห็นแตกมันก็เป็นประยานกันได้คือว่ามันเดินไม่รู้จกักวันจากคืนไม่รู้จกักเวลาเวลาไม่สนใจเ ว, าวลาเวลาเวลาผลมันแสดงมาในตอนที่เราหยุดเตือนยังผมโอ้ยออกร้อนหมดเลยเนี่จนบางทีจนได้ดูเอ๊ยหรืมึงฝ่าเท้าแตกนะก็ไม่แตก มันหลังเอาได้อีกมันเป็นของมันเองมันมันกิตมังก็มาอยู่ฝ่าเท้านีมันอยู่นี่มูนอยู่นี่มีแต่ความเพลินความฟัดกันนี่นี่มันมันสุกหรือเล่าพี่นาจีกรลุมบอลกันอยู่มันสุกเมื่อไหร่ถึงจะเรียกขนาดไหนก็มันไม่สุก ได้พูดว่าที่เราคาดเอาไว้นั้นมันผิดทั้งไผเลยคาดธรรมดาเดาธรรมดาคาดธรรมดาว่าจิตนี่เวลาภาวนาไปจิตมีความสงบเยือกเย็นละเอียด เ, เข้าไปตล้วงานจะน้อยลงไปน้อยลงไปจะสบายไปเรื่อย ๆ, ๆ, ๆนี่มีความคิดเอาไวฉยความคิดเนี่ยทั้งที่มันไม่เป็นเราคิดเอาไวเฉยคาดเอาเฉยตัวเวลามันเป็นนี่ความจริงนั้นกับอันนี้มันคนละโลกมันเข้ากันได้เมื่อไหร่โอ้โหความคิดว่า มีความสงบหรือละเอียดระบียับแลก็งานจะพ่อยเบาลงเบาลงจะสบายไปเรื่อยนี่โอยโอ้อะไรล่ข้ามจะของนะกับความจริงนี่มไม่ได้เป็นอย่างนั้นโอ <m> ้หุ่นเป็นกองจักธ ร, รรมจักมันเอาอะไรมาสบาย <c oughs> นอกจากจะฟาดหัวมิจฉาเนี่ยพั ง, งหมดเลยไม่มีอะไรเหลือเป็นคู่ต่อสู้กันเลยอ <c oughs> ื เอาคู่ต่อสู้นันมันไม่ใช่ว่ามันสลบนะฉันนอกคู่ต่อสู้ไม่ใช่สลบมันตายเลยมันนั่น <c oughs> นั่นนั่นนั่นสบายเอาคิดดูมันเรียบราบเลย น, นี่ใครบอกมั้งเรื่องความเพียรใครบอกว่าใหยุดสักนาที่ให้หยุดแค่นั้ไม่ได้บอกยึดเองเนี่ยที่หมุนติว่วจนไม่มีรับเวละ มันเป็นธรรมชาติมันเองหยุดคุณเองหยุดเองนี่สติปัญญาที่ว่านั่นแล้วมันเป็นเพื่อการต่อสู้มันไม่เป็นเพื่อความเป็นบ้างตัวเองหมุนอยู่คนเดียวเฉยมันหมุนด้วยการต่อสู้เมื่อหมดวาระการต่อสู้ไปแล้วมันก็หมดปัญหาไปนี่ฮะถึงว่ามรรคกับอริยสัจสี่เป็นสมมุติถึงว่าสิมันเห็นยังไงสิการปฏิบัต อายะัพทเป็นสมมุติมันเป็นอันหนึ่งกิริยาของสมมติหนึ่งต่างหากที่นอกจากอายะัพทคืออะไรนั่นก็นี่ก็เคยพูดแล้วที่ผ่านออกจากอายะัพท์อายะเป็นเครื่องกั้นกรองออกจากที่พูดออกจากอายะัพทไปนั่นอันหนึ่งคืออะไรนั่นไม่ใช่อิยสัตว์นั่นเพาะนั่นอายะสัตเป็นเครื่องกั้นกรองกันทรองก็บอกอายสัตเป็นเครื่องยืนยันความบริสุทธิของพระเจ้าและสาวกทั้งหลายนี้จากอายสัตไม่ได้เลยแค่ลายเดียวนั่น เป็นจะเพียงว่าความช้าความเร็วต่างกันแต่ต้องผ่านวิทยาศาสตร์จนได้เนี่ยผู้ที่ปฏิบัติดัวอย่างแบบไปทุกขาปฏิปทาทันทาปัญญาเนี่ยเป็นผู้ที่ได้เห็นทุกสิ่งทุกอย่างเลย <c oughs> <laughs> พอมันพอมันแบกทุกมากผู้นี่ทุกขาปฏิปทาเนี่ยฟังิเวลาปฏิบัติก็ลำบากแล้วก็รู้ช้าด้วยนะย นี่มันเห็นชัดถึงเรื่องอดิยสัจมันฟัดกันอยู่ตลอดเวลามันจะไม่ใชัดท่านผู้เป็นคิด ป, ป่าพิญญาท่านท่านผ่านท่านผ่า น, ผ, า น, ผ, านผ่านเลยเหมือนกับเรือบินก็ผ่านมาตามทางก็มาสิเขาก็มาตามนี้แล้วแต่เขามันเร็วนี่ไม่เหมือนเราเดินไปตามทางไปเรือบินไปรถไปรถยนต์ไปด้วยการเดินเดินด้วยเท้าไปรถยนต์ไปด้วยเรือบิน เราห่อเราเบียมมันต่างกันความรวดเร็วแล้วจะมองดูอะไรอย่างนมันผ่านมานั้นแต่มันมันไม่พอที่จะปักจิตปักใจได้เหมือนนั่งพู้ที่แบกกับทุกอยู่เป็นประจําพิจารณาต่อสู้กันอยู่เป็นประจํากว่าจะผ่านพ้นไปได้มันนานเท่าไหร่ก็เจอไปหมดแล้วสิอย่างคือว่ามันลืมไม่ได้รขนาดนั้นะว่าเรามันมันเป็นนิสัยจริงจังมาก ว่าอะไรแล้วมันจริงจราลงเหตุผลโดยลงแล้วยังไงก็ไม่มีอะไรมาถอนได้เลยเจ้าของอย่างยังถอนไม่ได้วะถ้าเหตุผลไม่เหนือนี่จะมาถอนนี่เฉยแบบว่าเอาจริงเอาจังแล้วมาทําเล่นี่เฉยเนี่ยโอไม่ได้เลยว่างัน้นเหมือนแบบมือเขียนตีนลงไม่ไดนะ้ต้องมีเหตุผลเหตุผลต้องเหนือกว่าที่จะถอนคําตั้งใจด้วยคําอธิษฐานนั้นะ ผลไม่เหนือถอนไม่ได้ตายก็ตายไปเลยทีนี้ความมุ่งมัน่นอันนี้มันก็มีกำลังมันแรงมากจะ อ, อะไรมาดึงมันไว้ได้ล่ะมันจะหมุนติว้วติ้วเข้าไปจนถึงที่สุดของมันความมุ่ง ม, มัน่นอนี้มันถึงจะหยุดหยุดเองอนนพวกเราพวกทุกข์าปฏิปทาก็ต้องยอมรับเอาสิ ไปล้างมือเปิดล้างมือเปิดเหมือนท่านท่านละเอียดออได้งไงท่านผู้ที่ปที่ปปัญญาต้องพร้อมแล้วมีติดจะเข้ามาววกอยู่ปากอคอกนั่นอาเปิดประตูปั้มออกแล้วเนี่ยเราไม่หยิมมันไม่ได้อยู่ก้นอคอกมันอยู่ก้นนรกมัน <laughs> ลากขึ้นมาจากนรกมันไม่จะขึ้นเพราะดืย้ยซ้าไป ยังไม่เห็นวันรกสบายดีพวกนรกหมอนโรกเสือโอใครจมลงไปแล้วมันไม่อยากลุกนมันี้มันกอมได้สบายไฟคงกิเลสคนมายาคาถามกิเลสโอมันกอมได้เจ๋งเลยพระพุเจ้าเวลามาอุบัติทั้นก็อุบัติในจังหวัดพอดีนะพู้ที่มีปั น, นสายสามารถพร้อมและมีจํานวนมากเดี่ยว แต่นั่งนั่งค่อยนั่งไปอย่างว่านะเหมัอนกับผลไม้รุ่นหัวปีรุ่นที่สองรุ่นที่สาม น, นี่เป็นอย่างนั้นนี่พวกเรากับพวกอันนี้มันค่อยจะยากว่ะทังเรื่องยางแต่ยังไงก็ตามเค่งปรับทาแบบวินัยนี่เป็นเครื่องยึดสําคัญจะชาดีเดียวกย็ไม่ไปไหนจะค่อยก้าวไปค้ามไป มันเป็นสัจจะฝังลึกแล้วมันมันไม่ลืมอย่างความเพียรนี่ผมไม่ลืมจริงเพราะมันมีแต่แบบผ่าผ่าผลผลมันไม่ใช่ธรรมดาที่สายหลับเป็นแสงไม่ผลไม่ได้ที่เหลือพาให้ผลนะันค่อยทําธรรมดาธรรมดาแล้วมันไม่เรื่องยิงเลยผม่ะถึงเวลาเดินยังก็ไปเดินธรรมดาธรรมดานั่งธรรมดามันไม่เรื่องนั่นที่มันทําให้พลิก แปลเปลี่ยนแปล ง, ปล ง, ปลงหาเหตุหาผลทั้งฟาดกันทั้งหนักทั้งเบาเอากันอัไนอันนี้มันเห็นผลอะ น, นี้เมื่อมันเห็นผลอันนี้แล้วมันจะปล่อยได้อย่างไงนั่นก็ต้องจับนั่นดังที่คือพูดตะกี้นี่เดียด๋ยวอดอาหารที่จะอดทุกข์เกิดเป็นจะเป็นจะตายลมหายใจมันออกหูหมดมันไม่ได้ออกแค่หูแล้วไม่มีลมหายใจมันเพียร์มากขนาดนั้นมันยังไม่ทน แต่วอันหนึ่งที่มันภาพมันเป็นเครื่องดึงดูดก็คือว่าใจถ้าขามันอ่อนเพรียทุกหญิงแต่ว่าเรื่องอันหนึ่งที่มันเหนือนี่มันมีมันดูดมันดื่มมันสว่างกระจ่างเพียงพูดไม่ถูกพูดให้มันเต็มปากู้ว่าอัศจรรย์นะเพียงขั้นดําเนินแล้วมันอัศจรรย์มันเป็นลำหนับลํานหับอัศจรรย์อัศจรรย์ เป็นลำดับลำดับไมอ า, าสจรย์จุดท้าคือไปอาสจรย์วิชาสิฟังสิ <c oughs> อ๋ออาสจรย์วิชานี่ที่นี่ว่าจอมกษัตริย์วัตรจังถึงขนาดนั่นเลยนะไม่รู้เลยว่าอันนั้นเป็นยิเลศนะตั้งๆต่สติปัญญานีนะ่เป็นธรรมจักรเยังไปยังไปตายใจกับนั่นได้ ไปรักไปสงวนไปติดนั้นได้ดูที่ไหนอัศจรรย์ทั้งมันทั้งคืนก็เฝ้ากันรักษากันอะไรมาแตะไม่ได้นะมันสงวนน่ารักษาเือเวลานั้นมันแต่มันสำคัญตัวอันวสติอันนี้ถึงจะไปไปไปติดก็ตามแต่เพราะเมื่อเคยเห็นก็ต้องติดบ้างล่ะถึงจะติด จะจงวนรักษาแบบเป็นออของอาจารย์ขนาดไหนก็ตามแต่คําฟังด้ว่าคำว่าปัญญานะสิ่งที่มันไม่นอนใจแม่นอนทั้งรักษาทั้งสังเกตตลอดเวลามันเคลื่อนไหวยังไงไงดูตลอดนรา ก, ก็ไม่ว่านะว่าเราจะคอยดูความเคลื่อนไหวของนี่มันก็ไม่ใช่นะมันพูดยากๆนะเพราะธรรมชาตินี่มันละเอียดจิต น, นั้นมันละเอียดธรรมชาติทททีีี่่่รักที่ว่าติด อันเนี้ยติดนี่มันก็ละเอียดพอกันแล้วความเคลื่อนไหวนั้นแสดงในนี้มันจะทราบมันจะทราบัสังเมื่อมันทราบหลายครั้งเราเหนก็ไปมันก็กระเทือนจิตละสิน่ะมันสังเกตอยู่ตลอดมันสังเกตโดยหลักธรรมชาติเองไม่ใช่เราตั้งท่าสังเกตนะมันนเป็นของจิตขั้นนั้นดวงนั้นวิริติปัญญาขั้นนั้นมีคือคำว่าผ่องใสนี่ยที่ว่าผ่องใส คู่ของมันก็คือความสร้างมองน่ะมันผ่งใสแบบละเอียดความสร้างมองแบบละเอียดนั่นก็เป็นคู่กันนะให้เห็นจนได้นั่นมีอะไรมาถึงกูบอกความอะไรมากระทบอะไรมันจะแสดงให้เห็นนิดๆถ้าว่าเราอย่างพูดอย่างทุกวันนี้ก็เรียกว่ากิริยาสมมุติน่ะมันจะแสดงให้เห็นนิดๆจนได้แสดงให้เห็นข้างนั้นครั้งนี้ก็มันประมวลทั้งมันอยู่ตลอดนี่เมื่อมันได้ที่แล้วก็อืมมันก็ไม่ไว้ใจนั่น มันจออตลอดเวลาไม่ใช่เราตั้งท่าตั้งทางอันนี้มันพูดไม่ถูกละมันมันไม่เปลี่ยนอย่างนั้นมันเป็นหลักทำอัตโนมัติเป็นหลักธรรมชาติที่ว่ารักษาก็เป็นหลักธรรมชาติอัตโนมัติตัวเองเสียอัตติปัญญาก็มันก็เป็นอัตโนมัติเสียนี่เวลามองดูความเคลื่อนไหวมันเป็นยังไงยังไงมันก็ดูอยู่ในหลักธรรมชาติของมันเสียเพราะมันไม่ใช่อย่างยากนีะอย่างละเอียดมากนี่ถถึงว่า มันเวลามันจะมว่วนชาดกลงมารวมสรุปกันมันก็ลงมาถึงขั้นที่ว่าอะไรที่ว่าความเศร้าหมองความพ่องใสก็ว่าจิตเนี่ยทำไมจิตเดียวจึงเป็นได้หลายอย่างนะนี่แล้วสุขแล้วว่าทุกข์เนี่ยเพราะมันมีตามส่วนละเอียดั้งมันอยู่ในนั้น ว่ามันสุกมันก็มีทุกละเอียดอยู่เหมนกันเวลามันสัมผัสอะไรปั๊บนี่ความละเอียดแห่งทุกเนี่ยมันจะแสดงคือสมมุติพูดง่ายๆนะมันไม่ได้มากแล้วมันนเป็นยาวสมมุติให้เห็นอยู่มันมันไม่รุนรานหรือความสมองกันเหมือนกันเราจะเอาความสมองของกิตทั่วไปมาพูดกับจิตคันนี้มันพูดไม่ได้มสมองแบบคันนี้ล่ะพูดง่ายๆแต่สติปัญญามันพอๆกันมันกรู้กันแล้วสิ นั่นจึงได้เอามาประมวลนี่ตั้งเป็นข้อลำพึงทําไมเดี๋ยวว่าสามองเดี๋ยวว่าป่องใสก็บาดจิต ด, ดวงนี้เดี๋ยวว่าสุขเดี๋ยวว่าทุกข์ก็ว่าจิต ด, ดวงนี้ทําไมจิต ด, ดวงเดียวนี้จึงต้องเป็นได้หลายอย่างถ้าเป็ น, นของแท้จริงแล้วก็ทําไมจะต้องเป็นหลายอย่างนั้น นี่ที่มันลำพึงมันก็ตั้งข้อสังเกตที่นี่มันเป็นลักษณะที่ว่ามันอย่างละเอียดมันเป็นลักษณะไว้ไว้ใจมันจ้องออกไปแหละแต่ก่อนไม่เป็นรักษานี่มันจ้องออกไปมันก็เริ่มเป็นเป็นเหมือนกับเราพิจาาทั้งสิ่งทั้งหลายอยากจะรู้สิ่งทั้งหลายทั้งหลายชั้นใดอยากจะรู้อันนี้มันก็ชั้นนั้นเองแต่มันเป็นส่วนละเอียดของจิตอันนี้มันก็ตั้งข้อสังเกตกันโดยโดยหลัธรรมชาติที่ว่าละเอียดละเอียด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 ต่อสู้ตั้งท่าฟาดฟันเหมือนทั้งหลายนั้นเพราะมันเข้าใจว่านี่เป็นเราเ็นของเราอยู่มันติดมันไม่รู้มันไม่ทันมันถึงมันถึงไม่พุ่งกันไปนี่ถ้ามันพุ่งกันไปนี่มันก็เร็วก็อย่างที่ว่าเนี่ยมันมันนานเมื่อไหร่พอมันประมวลเข้ามานี่ยมันก็ขนาดนั้นเลยเนี่ยมันไม่ได้ไปอยู่ข้ามวันข้ามคืนอะไรเลยกต่แบกมันมานี่มันแบกมาเท่าไหร่ล่ะแบกมา ด้วยความติดความพันความอ้อยอิงกับมันนั้นเท่าไหร่เพราะไม่ไม่ตั้งใจฝันมันลงไปด้วยความด้วยเจตนาพอประมวลลงมามันเปอย่างนั้นแล้วมันก็แสดงให้เห็นชัดเจนด้ ว, ว่ามันทำไมสิ่งของอย่างเดียวทําไมเป็นได้หลายอย่างนะนี่เทาที่ ว, ว่าเดียวเศร้หมองเดีวยวพองใส ก, ก็เป็นจากอันนี้นย คือสร้างหวังกบะ่องใสมันเป็นอย่างไะอียดพอให้จับได้จับได้อยู่นั่นน่ะสุกขกับทุกข์เหมือนกันเป็นของคู่กันเดี๋ยวว่าสูกเดี๋ยวว่าถูกก็คือจิต ด, ดวงเดียวนี่ทำไมถ้าเป็นของจริงร่วนๆแล้วทำไมจิตต้องมาแปรเป็นได้หลายอย่างหลายแขนงอย่างนี้ น, นเป็นของจริงจริงแล้วก็ไม่ควรจะมาสร้างปัญหนานี้ให้ มันเป็นขอ้อคิดอะไรมันทำนองนั้นแหละมันลําพึงเอ้ยถ้าเวลาลําพึงมันก็จาะ อ, อยู่นั่นจะว่าไงเจาะมันก็เหมือนกับพีนานี่สิฉันเดี๋ยวมันก็ขึ้นมานี่การทำนี่แหละผมผมผ ม, ผมเวลาสอนทำที่ผุดขึ้นมาสอนนี่แบบไม่ห่สอนแม่นยำมากเกินนะอย่างที่ว่าที่ว่ามีจุดอมีตอนอย่าูรู้อยู่ที่ไหนนั่นแหละคือตัวผมแล้วไม่สอนโกงแต่งเ น, นเราจับไม่ได้เฉย เราผ่านไม่ได้มนถึงมายอมรับอ้อคำามาจุดกระต่อก็จุดนี้เองจะไปะ จ, จุดไหนแนมะ่ก็จุดที่ว่าเนี่ยจุดผองใสเนี่ยเพราะเราพเพราะาอัศาจารัน์อันนี้โอ้โหจิตนี้ทำไมถึงอัศจรรย์นัาาาาานกหนานั่นเพราะว่างั้นแั้วก็ขึ้นครับถ้ามีจุดมีต่อมแดงผู้รู้อยู่ที่ไหนจุดนั่นแหละคือวิชานั่นแหละคือตัวพวกว่า อิ่นมันมันก็ตื่นตัวตื่นตัวมันไม่ตื่นก็ไปหาตรงนั้นสิมันเลยงงไปเลยมันจําไม่ได้ถึงเชื่อได้สภาพพ่อแม่เราเล่าพ่อแม่ครูอาจารย์ฟังท่านหนึ่งมีชีวิตอยู่แล้วโอ้เสร็จในเวลานั้นเลยแล้วนะเพราะมันเป็นจุดที่จะผางกันนั้นเราไม่เอาที่ไม่ส้างที่มันมาตอนมาสรุปกันนี่ยมันถึงมาได้เรื่องนี่ก็พุดขึ้นมาเหมือนกันนะอ คิดว่าอะไรคำว่าสุขก็ดีคําว่าทุกข์ก็ดีคําว่าผา่องใสคว่าเศ้ามองก็ดีคำว่าผ่องใสก็ดีทําเหล่านี้เป็นอ า, าตานะนัะ่นทำเลยทำเหล่าบบนี้เป็นอ า, าตานะนเนีนขน่ขึ้ น, ข, นนะขึ้นดย่งพระค้าม่ทําไม่ฝันคือมันเวลาแล้ว ม, ม, มันเข้าวงนี้แล้วมันเข้าพิจารณากันแล้วแล้วทำก็สอนขึ้น น, นี่ภายใ น, ใน ออกมาอย่างนั้นน่ะเหมือนกันกับมันนั่นแหละทํานี่กัห น, น้าตานะเพราะว่านั้นมันก็ผึงเลยน่นไม่ได้ข้ามวันข้ามคืนเป็นเวลาประมวลนมนั่นเอนานเมื่อไหร่มันไม่ได้นานถ้าเข้ามาเจอนี้มันไม่ได้นานถ้าว่าจาะตั้งแต่ก่อนๆมันก็เสร็จประณนานนะตั้งแต่นูน้นแต่แต่ที่ว่ามีอยู่นี่สองอย่างปุรุนุน่นมันจะไปตั้งแต่นู้นนะ น, นี่มันยังไม่รู้วิธีมันจับไม่ได้ทีาราคานี้มันจับได้ปบทันทีเลยขนาดนั้นเลยนะว่าท า, ทางนี้เป็นอนัตตาหนาว่าบอกเป็นเงื่อนเป็นเงื่อนสอนขึ้นมาในนี้เป็นเองนะยับยับยับคำว่าสุขก็ดีคำว่าทุกข์ก็ดีคำว่าเศร้าหมองก็ดีคำว่าผองใสก็ดี ทำเหนี้เป <including> ็นมาตานะมันลักษณะมันเป็นเหมือนกับว่าสองเงื่อนตากับมารดาหรือปอะไรเป็นลักษณะสองเงื่อนนั่นอันนี้เป็นทำเหลนี้เป็นสมมุตินะเป็นยังงเป็นตาลเพราะงั้นมันม้วนไปเลยมันเป็นลักษณะนั้นทุกเหมือนเถ้าเป็นมะพร้าวสองหน่อมันคว่ําไปเลยลักษณะเพิบไปเลยหายเงียบเลย อนี้ไอ้ไอ้ผองใสมันก็ไปพร้อมกันเลยนะผองใสที่อัศจรรย์เต็มทีเต็มทีมาเท่าไหร่นานเท่าไหร่นั่นไปพร้อมกันเลยกับขณะที่มันแสดงขึ้นถึงนั่นขณะคือว่าขณะความมันเองมันขนาดผึงไปเลยอันนั้นไปเลยหาเงียบนั่นที่นี่เด็กอยารู้ว่าอันนั้นแอร์เป็นผู้ปิดนี่นี่ไว้กองขี่ควายกองนั่นกองผองใสมัน ขอเอไว้ความคว้างไปแล้วไม่มีอะไรอืมเปิดเต็มที่แล้วนั่นที่นี่ว่างเลยได้รู้ว่าโอ้โหอวิชชาเป็นขนาดนี้แถวเหลือขนาดจถวเหลือนี่จอมกษัตริย์วัตจักรขนาดนี้ น, น, น, นั่นเนี่ยกษัตริย์แต่แท้ดังนั้นเป็นกิ่งก้านสา ข, ขาของของกษัตริย์อันนี้เรายังหลงมาเป็นลําดับลานาแล้วลำนา แก่ามาแล้วจนกระทั่งถึงที่ว่าจะเอาให้มันอยู่ในเงื่อมื อ, อยังไปติดให้มันเหยียบไว้จนได้นั่นเห็นไหมโตขนาดไหนอเอะสติปัญญาก็ว่าเทียงไกลสุดมาถึงนี้แล้วทำไมถึงไปหมอบราบมันละ่ะนั่นเป็นยังไงปิตวิชาจอมกษัตริย์วัตจักรคืออวิชชาเสียขนาดไหนมันยังติดได้มาติดหาปัญญาติดได้ ถึงจะพ่านไปได้าพราะมหาสีมาเป็นอย่างไรตอนมันติดก็ต้องบอกว่าติดสิมันเป็นไเพียงว่ามันเป็นอัมมตโนมัติเอาจนได้ทิ้งติดมันก็ออกออกกนได้เพราะพ่อม่เสมอในการพิจารณาไม่ไม่นอนใจเวลาติดก็ยอมรับว่าติดแต่มังไม่ไ ม, ไ ม, ไ ม, ไ ม, ไม่ติดแบบตายแบบจงอยู่ตลอดแบบนอนใจไปเลยนั่นไม่ยัง ม, มีแง่ของมันจะสังเกตสังการอยู่โดยหลักธรรมชาติตัวเ นเวละที่ว่าอันปองสใยนี่ใครคานเมื่อไหร่ว่ามันจะเปลี่ยนสภาพตัวเองไม่ได้นะก็คือว่ามันบ่ามันจะแปลสภาพตัวเองได้ว่างกันดูนะเพรานึกว่ามันจะเป็นอันนี้อยู่เป็นกลับเป็นกันเป็นของเที่ยงถาวร น, นี่คือในเวลานั้นนะแต่แล้วมันก็มาแปลเห็นอย่างชัดเจนประจักษ์เหมือนฟ้าดินถล่มจหว่างไงพนณาสินี่แหละถ้าเป็นสมมติเหละแปลได้อย่างนั้นน่ะ อวิชานี่เนี่ยตัวยอของสมมุติเวลานี้มันแปลลงไปหรืหรมันคว่ำลงไปแล้วไม่เห็นมีอะไรมาแสดงอย่างนี้นั่นมีอะไรที่มาแสดงให้เอ๊ะเนี่ยให้เอ๊ะใจอย่างนี้มีอะไรไม่เห็นมีเลยพอธรรมาชาติแล้วนี่มันออกเท่านั้นไม่เห็นมีอะไรนี่ว่าที่เรพูดว่าจิตของสายคืออวิชา น, นี่มันอย่างนี้นเห็นไห่งั้นสิ พูดด้วยเมปากเขาจะว่าแม่งว่าจะเขาจะว่าบ้าก็บ้าสิเขามันเห็นนี่มันเป็นให้เห็นนี่เวลาไม่เห็นก็บอกไม่เห็นไม่เวลาไม่รู้ก็บอกรู้เวลาไม่รู้ทำไมจะพูดไม่ได้วะธรรมะสอนเพื่อรู้แต่แท้ใครจะปิดพระโอษฐ์พระริจ้าไม่สอนโลกหะอืถ้าเสาอรหันตนสอนโลกมามากกว่ามากน่าอร่อยท่านพูดทั้งนั้นใช่ไหมล่ะอันนี้เราพูดตามหลักความจริงไม่ผิดปัญหนว่าว่างั้นก็ไม่มีใครจะมาว่าเราพูดไปเฉย มันเป็นก็ต้องบอกว่ามันเป็นยังแต่พระอหรหันต์นพิธท่านยังพูดเรื่องได้สบายป่านบินนที่หทุ่มพว่งมาเป็นอะไรว่าเกิดเหตุอันตรายอะไรมาปุ๊บเขามาเป็นอะไรเ็นอะไรอุยผมสำเร็จแล้วเหนียวเนียมันสำเร็จแล้วก็ทาไมถึงป่าโนบิเลยโอ้โหป่างูพ่นฟังงูงูพ่นสราบซี่เระมาด้นกันปุ๊ตายหรอพรายด้วกันสามองค์นะ เลยไปคุยกันสององค์กระซิบกันเป็นยังไงเผาหนี้นะป้าสําเร็จแล้วต้อง่อนนกหวีมมันนกหวีบ้าไงสำเร็จแล้วต้องผ่อนนกหวีที่อ้างมาว่าก็หมู่บ้านมาด้วยเก็ต้องบอกหมู่บ้านทราบนี่มันมันไม่ลงใจนอกเดี๋ยวสําเร็จบ้าตลอดปุ๋ยกันพอดีคืนที่สองมาเที่ยงคืนเนี่ยนกหวีดขึ้นอยู่แล้วนกหวีดกล้องยันหน้ากระเป๋านะวัดวัดอะไรอีกนะี่มันคั้นนรกไอ้เวทีที่ไหนน้าที่ มาแต่ว่ามาอย่างนั้นแหละหื่ยี่ว่าไงขันน like ี้มันขั้นบ้าบ้าขั้นไหนแล้วนี่ยนะวะไม่ได้ว่าอหารนี่วังเวลาแล้วมันถึงขันขันไหนได้ขันบ้าบ้าขันไหนแด้นี่ว่าเนี่ยมันนี่จะบ้าขั้นไหนอะไรก็ดีอย่างหนึ่งนะรไปมาจะบ้าขันไหนมันไม่สำเร็จว่าไม่สเร็จก็เป่าเลยก็เมื่อคืนนี่ว่าสำเร็จก็เป่านนี่มันไม่สเร็จก็ต้องเป่าบอกหุวัน่มันสองจันทามจัน นี่มันจะเป็นยังไงกันมันเป็นจย่งทแต่มันไม่เห็นเป็นทุกทีจนกระทั่งปันนี้เนื้อนี่เป่านกหวีดหรือเ่าความเปลี่ยนแปลงของกินมันก็หมดวละสุดท้ายก็คืออันนั้นเองความใดทั้งหมดมันเป็นสมมติทั้งนั้นที่ที่มันเกาะจิตอยู่นั้นเวลาออกออกออกมันเปลี่ยนแปลงอะไรเช่นอย่งเปลี่ยนตั้งแต่ความความมืดตื่นไปหาความสงบพองของใจก็เปลี่ยนมาเรื่อยๆนั่น มีแต่อาการของสมุดทั้งนั้นทั้งนั้นทั้งนั้นจะเป็นอะไรไปเรื่องอนี่เป็นของเป็นเรื่องสมุติเพราะกิเลสเป็นสมุติสิ่งที่แก้ก็เป็นสมุติทั้งสองอย่างก็เป็นสมมุิไปด้วยกันนั่นไปจนกระทั่งถึงสุดวาระของสมุติแล้วมันก็ยุติกันได้ทั้งนั้นยุติกันหมดเลยสติปัญญาที่ ท, ที่ที่เป็นเครื่องแก้นี่มันก็ยุติกันในเวลาอันนี้ยุติลง มันเห็นทำงานอะไรไปทํางานแบบนั้นอ่ะแบบที่เคยทำไม่เหนนี่นนสติก็สติปัญญาธรรมดาที่นำมาใช้ธรรมดาก็ก็รู้อยู่ว่าเป็นสมมติอยู่แล้วนี่เนี่ยสติปัญญาอันนั้นนั่นก็เป็นสมมติประเพณนั้นนั่นน่ะสติปัญญาอันนั้นเป็นสติปัญญาขององค์มรรคแหลนะมรรคแท้บางนันมหาสติมหาปัญญาก็คือมรรคเองจะเป็นอะไมรรคมีกําลังนี่ ดีพอเครื่องอะรับกับมันหมดปัญหาไปอ ย, าอย่างที่เหลือมันหมดมันมันสรนสร้างไปอันนี้มันก็หมดปัญหาไปเองไม่ต้องบอกไม่ต้องบังคับไม่ได้ทางานอย่างนั้นอีกโดยไม่ไ ม, ไม่ต้องคิดต้องคาดว่าจะทํำไงตอนอะไรต่ออีกไม่ไมีนี่เป็นหลธรรมชาติพอนั่นหมดปัญหานี้ก็หมดปัญหาก็ไปกันเรียกว่าสมมติอริยสัจเป็นสมมุติ มันไม่ใช่สมมติแต่จิตที่บริสุทธิ์จากอริยสัจมาสิอริยสัจกานกรองออกมานั่นจึงเป็นมิมุติเมื่อถึงอันนั้นแล้วมันก็ไม่มีที่ว่าสุขว่าทุกข์ก็ดีเศรมองก็ดีผ่องใสก็ดีมันไม่มีนี่ท่านจึงบอกว่านี่ทำเหล่านี้เป็นเป็นอนัตตาหน่อยนะ จะยึนมั่นถึงมันได้ไงอนันตตานั่นความหมายว่าไงมันเข้าใจแล้วมันก็เพิบเดียวมีอะไรเดียวเลยทีเวลาหลังจะนั่นดิที่มันเป็นเรื่องที่สะดดสังเวียนมากนะเห็นโทษมากเสือโดดนี้แล้วพูดยังไ <c oughs> งที่มาเห็นโทษของเสือที่หลังว่าโธ่นี่มันสือวนะ่าในทาง ไม่ได้ว่าเป็นเสือมันอะไรตัวอะไรตัวละลายเนอะนมันน่าชมน่าหนาเลแต่มันไม่ใช่ไอ้ปั้งมันเสือเวลามันตายไปแล้วถึงมากลัวที่หลังไม่เห็นโทษที่หลังอูโอ้โถโถผมมันไม่มีอันนี้ขึ้นรับกันแล้วนี่พอปิดอันนี้พออันนั้นเปิดตางป้ามันนี้มันก็เห็นนี่เลยฮะมันต่างขนาดไหนที่นี่มันก็เทียบกวันได้ว่าธรรมชาตินี่คือกองขี้ควายเท่านั้น ทับกองทองตั้งแท่งอยู่คุนี่ง่ายว่างนันกองกีบพวายั้งกองนี่มันทับทองตั้งแท่งไว้นมันมันก็กเทียบได้เท่านั้นออกอุทานออกอะไรไมันไม่ออกได้ ย, งยังนงหรือพระญากคนละญาท่านสำเร็จขั้นโสดาขั้นอย่างยังมีปีตุได้ธรรังสับบรตังยิโดธรรมังนั้นอุทานท่านออกมาจากที่ท่านประจักษ์ของท่าน แต่ในปริญาท่านกัแปลไว้อย่างนั้นเป็นกลางๆว่าชิ้นใดริงหนึ่งที่เกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นย่ำดับเป็นธรรมดาหลางแต่สําหรับผู้เป็นประจักษ์ในตัวเองไปเจอในตัวเองอุทานมันจะไม่เป็นอย่างนั้นใครจะว่าบ้างก็ตามจะมาพูดเฉยๆลอยๆได้ไงก็มันไปเจออย่างจรงๆทำไมจะไม่รักคำอุทานซะด้วยจะมาพูดลอยๆได้หรือไม่แต่ว่าอะไรก็ตามเกิดแล้วดั บ, ดบทั้งนั้นนานถึงใจอืม แล้วก็ตา ม, มาเกิดแล้วดับทั้งนั้นยดึดนอะไรก็หมายว่างเขียนนั่นก็ยังเป็นอุทานท่นนานยังอุทานรันถึงที่อของเราพระมหากรบินสุ ข, ขังวาตาสุ ข, ขังวาตานั่นอุทานของท่าน ท, ท, ท, ที่ออกจากนั้นอยู่ไหนสุขสุมเนอะสุขเนาสุข น, ข น, ข น, ขนมันหมดถุก่งทุอย่างอันนี้มันอุทานมันก่อ แต่เวลามันเป็นนั่นมันผมไม่อยากพูดอุทานมันก็เหมือนกับว่าอาจเอื้อมเปื่อนเกินไปเราไม่อยากพูดเหมือนกับว่าอาจเอื้อมไปแบบธรรมชาติพาให้เป็นจะว่าไงก็เราก็พูดตามแบบธรรมชาติถึงเป็นความสรุปทางเรื่ความถ้าจะพูดภาษาโลกมันก็เรืเหมือนกับความตื่นเต้นความสนกตกใจนั่นแหละอุทานมันขึ้นตรงนั้น โอ้โหโอ้โหนั่นโอ้โหอหาที่ไหนหาธรรมธรรมที่ไหนธรรมที่ไหนนั่นเราไเจอแล้วหาที่หาอะไรหาธรรมหาที่ไหนนู่นไปนู่นแบบกดสภายบาดขึ้นเขาลูกนั้นเขานี่เขาทํานั่นทำนี้ทําที่ไหนทําไะคือหมายความว่าย่นเข้ามานะนี่นะถ้าอันนั้นไม่ใช่ผิดนะนั่นแต่เราขึ้นถึงนู่นเราก็ไปหาธรรมธรรที่ไหนคือว่ามันเจอแล้วมันตึงเดียวิ่งออกไปอย่างนั้น ทำอินก็คือว่านี่ทำความหมายก็ว่างั้นทำวนัยที่นี่ทาวินันี่ว่างั้นเลยที่นี่จากนั้นมาก็มาลำพึงนี่โถโถ่ทำไงทำไงใครจะมารู้ได้อย่างนี้โอ้โหโอ้โหน่าดีใครจะมารู้ได้ไปสอ น, น, โอโโอโ น, นใค ร, ร, ร, ใครพูดในกติกาเขาก็จะว่าบ้าไปเลย ใ, ใครจะสามารถใครจะรู้ได้ เมื่อถึงขนาดนี้เพรว่าละเอียดเลยละเอียดไปแล้วเลยไปใช้ทุกสิ่งทุกอย่างในเดือนสมมุตินะผูย้ยางนั้นมันเต็มเม็ดตรงนึ่งเดือนสมมุติมันไม่ได้เหมอนอะไรเลย<น>แล้วจะไปบอกใครไปสอนใครใครจะไปรู้ได้ น, นี่มันก็วิ่งถึงบูริยเจ้าที่ว่าท่านทรงทำขวัญทำขวัญน้อยนะแต่เราไม่ใช่เราจะเป็นคู่แข่งท่านหนาะเราพูดพอมันวิ่งถึงกันต่างหาก ด้วยความเคารพท่านอืนะมันเป็นที่มานี่เยอะความความ ข, มขวายน้อยมันเป็นแบบเดียวกันจะพูดอะไรไม่ยใค ร, ใครไปรู้เรื่องเมื่อถึงขนาดนี้อ่ะคือมันเลยยิสัยส่ของใครที่จะไปรู้ได้อย่างมันเป็นอย่างนี้น้าจะไปสอนขายเขาจะหาว่าบ้าไปหมดโอ้อยู่ไปกินไปพอทั้งชีวิตให้เป็นไปวันหนึ่งท่านท่านพอแล้วจะขวนขวายอะไรจะสอนโลกสอนทังสาร ใครไปรู้ได้ถึงกระดาษนี้แล้ว น, ะนั่นนี่แหละเนี่ยที่ทําให้ทำมุขค้อทำความขวายน้อยไม่อยากผู้อจักสอนใครเลยก็อย่างนี้แหละเพราะยกเอานี่มาเป็นปัจจุบันไม่ได้ตีกระจายไปถึงอดีตถึงอะไรถึงสายทางเราพูดแต่ผ ล, ลมันก็ท้อแล้วที่ผมไม่เห็นอันนี้ใครจะรู้ได้รู้ได้ไ เมื่อมันเป็นดูมันอยู่งั้นไม่นานมันก็ย้อนสต่ทีถ้าว่าเป็นสิ่งที่สูิสัยว่าใครใครกรู้ม่ได้แล้วนี่รู้ได้งไงนั่นเป็นเทพบุตรเทวดามาจากไหนพระพุทธเจ้าตอนที่เสียนพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าท่านเป็นเทวดาที่เห็นท่านเป็นคนเหมือนกันอันนี้เราไม่ได้พูดปู่นู้นแต่ขนาดนั้นไม่ไปแล้วมันไปมันเอาจะไปเป็นเทพบุตรเทวดามามาจากไหนทําไมจึงรู้ได้เขาเป็นมนุษย์เหมือนกันกับโลกทั่วไป แล้วทำไมาถึงว่าใครจะรู้มาได้รู้เพราะเหตุใดนี่มันจะวิ่งนั่นพอรู้เพาะอะไรก็เพราะปฏิปทาัสิเครื่องดําเนินมาดําเนินมาอย่างไงมันถึงรู้ได้อย่างนี้นี่มันมีทางเข้ามานี่ไม่ใช่จะอยู่ๆก็เมีอเ น, นี่ยมันมีสายทางเข้ามาถ้าเป็นบ้านก็มีบันไดถ้าเป็นสถานที่มันก็มีทางก้าวเข้าไปเนี่ยแล้วรู้มาได้ยังไงมารู้ได้เพราะเห็นไงมันจะหนีจากปฏิปทาได้หรือไม่จรก็ มันยอมรับทันทีนานนึ่นึ่งทำไมกันเมื่อสอนตามปฏิปทานล้วพูดตามปฏิปทาสอนปิปานนี้ทำไมจะรู้ไม่ได้ละ่ะออปฏิปทานี้เป็นเครื่องนาเนินเพื่อเข้าสู่จุดนี้แท้ๆนานจากนั้นมันก็วิ่งถึงเรื่องพระพุทธเจ้าที่งทงความขวัญน้อยอยากสอนโลกเพราะอันดับต่อไปก็ผมคิดว่าจะอย่างนี้แล้วถ้าพราะองค์มีญาณ น, นี้นะทั้งแบบ่ยาเรียนญาณอย เป็นเครื่องสนับสนุนพระองค์ด้วยเราไมียานอะไรเนี่วก็ตรงตรงัดกับคงจะเป็นอย่างนี้ทํำไมฉันรู้ได้ทำไมเป็นสิ่งที่สูญพันธุของโลกเราเป็นอะไรโลกเป็นอะไรอยู่ว่างนันรู้ได้เลยรู้ได้เพราะเห็นอันนั้นนี่เมื่อ น, นำมันี้สอนโลกทำเขาจะรู้ระดับวะแต่นั่นก็มีแก่พระไทยที่จะสั่งสอนโลกอันดับที่สองก็เป็นท่ามหาบรมราช า, านันท์ อันดับแรกต้องขึ้นจากพเมตตามซะก่อนเห็นเหตุเห็นผลตามนี้ที่จะแนะนําทางสอนได้แล้วพร้อมกับพยานที่อย่างทราบศักด์ทั้งหลายนั่นมันบวกกันหลายญ่านด้านสำหรับพรุทธเจ้านะก็รู้ได้เอามีแก่พระทยวิทย์สอนนานกับพื้ปฏิบัติามันไม่ใช่เป็นของสูตรเอื้องเป็นของสูตรวิสัยทางมีอยู่นี่ก้าวเข้ามาซิก้าวเข้ามาซิเพราะฉะนั้นทางนี้คืออะไรคือหลักธรรมหลักวินัยเนี่ย เป็นเป็นหลักใหญ่แล้วก็แยกออกมาก็คือแบบปฏิบัติภาคข้อปฏิบัติท่านแหละนานย่นเข้ามาย่นเขาา้เขามานั้นก็ไม่หนีมาาักอยศาสตร์สี่และที่นี้เข้ามาตรงนี้ผมว่าทําบินายกว้างย่นเข้ามาย่นเข้ามาจนถึงจุดนี้ที่จะเข้าสู่จุดเข้าได้ขเข็มเข้าตรงนี้มเคยรู้ก็ให้ลูกเข้าไปเถอะวางั่นเลยเพราะธรรมชาตินั้นมีอันเดียว ไม่มีเราจะมาแทรกมาแทงพอให้สงสัยนี่นะอันเดียวเนี่ยอันเดียวก็คือว่าไม่มีสองกับอะไรพอที่จะคัดจะเลือกจะให้สงสัยจริงๆว่าจะอันนี้หรืออันนี้นะจะเอาอันนี้หรือจะเอาอันนี้หนะีหรจะเกิดหรือไม่เกิดนะจะตายหรือไม่ตายนะแล้วสิ้นแล้วเรือเยังมีกิเลสอยู่หนะเนี่ยมันข้าเป็นสองก็ต้องอย่างนั้นสิมันก็ทําให้สงสัยที่สองนี่อันเดียวตอา น, นั้นจะว่าไงนี่ ไม่มีคู่แข่งพรสริศุลก็รู้อยู่เห็นอยู่ชะตาในหัวใจนะเอาอะไรมาเป็นคู่แข่งเอาอะไรมาให้สงสัยให้เลือกว่าไอ้ น, นี่ใช่หรือไม่ใช่นะาเนี่ยอันเดียวเอโกรธรรมโมเนะ่ทำอันเดียวที่กับทำประเดียวกันแล้วพอนั่นทันทีที่โกรประกาศป้างโดยหัธรรมชาติจะว่าไงทันทีโกอยู่กับอา น, นั่น พอดีพอดีทุกอย่างกับมานนั่นเลยอันที่พีโกนเห็นเองรู้เองอันวะพระเจ้าตาเวทีตะโบวิญญาณอันหนึง่งรู้ทำนั่นอันอันท่านวิยญาณชนนั่นหลายจะเป็นผู้เฉพาะตนนะผู้ที่จะรู้กับใครกับผู้ปฏิบัตินเนี่ยจะรู้ผู้ไม่ปฏิบัติจะเอาอะไรมารู้คําว่าวิญญาชนกับผู้ที่ปฏิบัตินั่ น, นผู้จะรู้ ขินยูหีอันมีชนทั้งหลายลจะรู้จเฉพาะตนปั จ, จตังในบทธรรมคุณนั้นก็พูดไว้ว่ามีอะไรสงสัยเลยนะสังฆโตกาตาธรรมโหมดนะถ้าทมพูดว่าัะตัดไว้ชอบแล้วสันทิิโกผนะู้ปฏิบัติจะเป็นอย่างนี้เองอากาลิโกเพราะว่มีการมีสถานที่และเว ล, ลานะเอหิปติโก กนณีอันนี้ท่านแบบภาคปฏิบัติเราถ้าถ้าว่าไม่ได้ไม่ได้เรียนมาคนอื่นเขาจะดูถูกนะว่ามผมแปลประประ่าเถื่อนแต่การปฏิบัติเรามันเป็นอย่างนั้นเราก็เอานำมาพูดทั้งสองอย่างอสิคือปริยัตท่านท่านก็แปรตามศัพท์จริงศัพท์ไม่ต้องแปลอย่างนั้นไม่แปรอย่างนั้นไม่ได้นี่มันมีเครื่องบังคับอยู่ทั้งอิพัทธปัจจัยทั้งธาตุหรือว่าไงเนี่ยเรียนมาเราก็ต้องรู้ด้วยกันพวกที่เรียนมาในศัพท์ว่านี่ยเอฮิปัจโกนะั้ เอไไหีบอกว่าไงนั่นมันบอกบังคับในตัวที่จะต้องให้แปลอย่างนั้นนะี่มันแปลว่าเอหีปาิโกท่านจงมาดูธรรมของจริงแต่เรามาัหม า, ม า, ม า, ม า, มายถึงว่าท่านหมายมันนุ่นเสียพวกปริยัตไม่ว่าท่านมาเราแหละก็แปลอย่างนั้นนี่ท่านจงมาดูธรรมของจริงดูปัจิโกนปัจิกะปัจิโกนแปลว่าดูแปลว่าเห็นเอหีแปลว่าท่านจงมา ถ้า แ, แยกเป็นภาษาบาลีเขาเรียกว่าหินบอกบางคั้งก็ขึ้นตวังตะวังแปลว่าท่านนั่นนั่นแหละในหลักบาลีจงเอท่านจงมาเอหินนั่นจงมาเอคือหินนั่นคือเป็นยิยาอาขยาบบางครั้ให้ให้ขึ้นตวังนะตะวังแปลว่าอันวปลว่าอันวท่านเอหินจงมาปฏิกรูจงดูทำของถิ่งคือให้เรียกร้องคนอื่นให้มาดูได้ทำของถิ่งว่า ที่นี่ะนี่แหละการแปลปริยะติก็แปลอย่างเดียวกันแป ล, เ ป, ไปไลออเป็นอย่างอื่นไปไม่ได้เพราะหลักบาลีมบังคับก่อนเลทีนี่เวลาทำปฏิบัติไปไม่เบี่ยงเบนสิเราตั้งเรื่องแปลนี้เราก็ได้แปลมาแล้วอื mm. เราไม่เคยคาดเคยคิดเลยว่ามันจะมีเรื่องอะไรแปลกไปจากเอธิปติโกที่แปลอย่างนี้อีกนะมันไม่เป็นอย่างนั้นทำพระธรรมนั่นแหละเนี่ยเบย่ยงั้นนะพระธรรมนั่นแหละสอนเราเองเนี่มันกลับเบี่ยงับนนะ พระธรรมท่า น, นสอนเราเอฮิว่าท่านหมายถึงเราเนี่ยพระธรรมนัน่ะท่านสอนเราว่าท่านหรือเธอจงจงมาคือว่าย้อนจิตเข้ามานี่ว่างั้นนะจงมา่หมายก็ว่าจิตมันจะส่งไปไหนไปไวุ่นวายไปไหนก็ตามเถอให้ย้อนเข้ามาเนี่ยเอหิให้เข้ามานี่นะมาดูนี่ดูนี่ดูนี่อเดียสัตวติอยู่ตรงนี้ว่างั้นแม่นี่ภาพปฏิบัติเป็นงั้นนะเนี่ยผมก็ต้องขอ อนนั่นท่าว่ายอนเพผิดก็ผิดไม่เห็นมีนะครับผิดบราอะไรเรียนทั้งการเรียนอย่างนี้ใครก็แปแบบเดียวกันแต่เวลาภาคปฏิวัติมันไม่เป็นอย่างนั้นสิมันเป็นขึ้นมาของมันเองพระธรรมนั่นแหละสอนเราอนยะว่างเงี้ยท่านสอนเราว่าท่านจงย้อนจิตเข้ามาดูธรรมของจริงอยู่ตรงนี้คืออริยสัจสี่อยู่ตรงนี้ว่าย้อนเข้ามันนั่นแหละเอหิปัจิโกย้อนเข้ามาจงดูจงดูตรงนี้ โอปัญยิโกเรื่องอะไรแล้วก็ตามให้น้อมควาเป็นอดเป็นธรรมนีน้องเข้ามาท่ามสอนตนเห็นเขาทุ ก, ก ข, าาข์ก็น้องเข้ามาสอนเราเห็นเขาเล็งมันถึงก็น้องเข้ามาสอนตนเองเท็บอย่างอันนี้เป็นโอปัญยิโกเนี่ยน้องเข้ามาะส่วนเองยิ่ปัญิโกนี่เหมือนกับว่าให้เข้ามาบางคราให้เข้ามาดูนี่เลยอันนี้เราสีตรงนี้นั่นี่แที่มันผิดกับทางภาพปฏิบัติโอยทางภาพปัญญา ถ้าว่าผมไม่ด้เรียนเป็นมหาเขาจะดูถูกตรงนี้อันนี้เรื่องฝ่ายทางปริยัติเราก็แปล ใ, ให้ให้อย่างสมบูรณ์แล้วนี่ยกขึ้นจนกระทั่งท่าพี่พัตจัดใจจะว่าอะไรอีกทีนี้ทางภาคปฏิบัติเวลามันปฏิบัติเข้าไปมันเป็นอย่างนั้นขึ้นมาขึ้นมานี่ขึ้นมาไหนนี้เหมือนกับว่าทําตั้งสอนเราอยู่นี่สอนอยู่อย่างนี้มันก็ได้เรื่องนี้ขึ้นมาละสิเรื่องที่ไม่มีในปริยัติมันก็ได้ขึ้นมาเพราะมันเป็นอยู่กับนี่ มันเป็นความจริงมันหนึ่งความจริงมันหนึ่งแต่มีในประยานี้ในประเจ้าก็ตามแต่มันมีใ น, ในความจริงที่มันเป็นขึ้นมานี่เวลาเราปฏิบัติเหมือนว่าพระธรรมท่านสอนเร า, าออะืเธอจงจงเข้ามา ย, ย้อนจิตเข้ามาเนี่ยดูตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ดูตรงนี้อริยสัจอยู่ตรงนี้นี่นให้เข้ามาเนี่ยยึดประสงค์ไปข้างนอกบุญวายความรู้เนี่ยมันไม่เกิดประโยชน์อะไรความรู้เนี่ยคําว่า ส่งจิดเนี่ยคือความรู้นั้นให้เข้ามาตรงนี้ตรงนี้ดูตรงนี้ไปอายัดสี่ตรงนี้ของจริงอยู่ตรงนี้อยากรู้ตรงนี้แน่มันไปนั่นเสียในท่าปฏิบัติมันมันถนัดเอเราจริงๆก็มันได้ผลจากการปฏิบัติอยู่นี่แบบนี้นี่นะ่ะเห็นส่วนที่เราจะไปะอะไรมันเราอยากจะพูดไปอีกแบบหนึ่งข้าจะ่าบ้ากับตามมันจะ ให้เรียกร้องเข้ามาดูทำมงคลเรียกร้องใครเขาจะมาหาว่าบ้านั่นไปหาเรียกร้องก็อะไรนี่อันนี้อันนี้เราก็อาจารย์อยา้ระบุนะที่ผมเคยพูดให้ฟังอาจารย์นั้นที่ท่านไปอยู่ท่ามประเวณน่ะเป็นการมาเรียนนั่นนั่นน่นเห็นไหมเออท่านไปท่ามาเรียนแล้วท่านไปบนตบาดพอบิตาบาดสภาบาทไปแล้วพอไปเจอใครเขาต่ำเข่าจังหวะมีโคกระเดื่องนี้นะไม่ได้มีลงสงลงสีเหมือนทุกวันแล้วสภายบาดไปสำเร็จแล้วยังสำร็จแล้วยังหั เขาไม่รู้ว่าท่านเหลืออะไรก็สอนเขาจนกระทั่งจะลืมฉันจังหันหรือว่าไงพอเขารู้เรื่องกันทั้งบ้านแล้วเขก็แนะกันกันทั้งบ้านท่านเป็นให้มารียท่านเป็นเพราะว่าทำยังไงจะให้ท่านสะดวกท่านไปฉันจังหันก็บอกให้ว่าเง่ายๆเลยเขาก็บอกว่ารู้แล้ว่ากันนะพอท่านมาเป็นยังไงว่าสําเร็จแล้วว่างกันกันแล้วนามเป็นยังไงสำเร็จแล้วยังว่าสําเร็จแล้วท่านมันก็ไปท่านไม่ต้องสอนกายแล้วท่านก็ไปฉันมันนั่น นั่นเรียกร้องคน อ, อื่นมาดูมันจะเป็นอย่างนั้นนะคำนองนะ้ําเร็จแล้อยังเนี่ยมาดูทําห้องจริงเจ้าของไม่รู้ทําห้องจริงอะไรมาดูทห้องจริงเขาจะว่าบ้าอยู่ดีไงนั่นมันมีส่วนที่จะว่าได้อยู่ตอนนี้แต่ไอไธรรมชาติที่เราว่านี้ให้ย้อนเข้ามาที่จิตให้มันไปรู้อะไรส่งไปเป็นเพื่อนๆาน่า้นๆย้อนเข้ามานี่สิมาดูนี่มาอยู่ตรงนี้สัจธรรมอยู่ตรงนี้ย้อนเข้ามาเอหี ทั้งจงมาหมายถึงว่าย้อนเข้ามาในที่ทำห้องเกียงอายาศาสตร์สีนี้ว่าที่นีนี่ทำไมมรรกผลนิพพานจะมอยู่ทนี่ละ่ะ น, นี่ก็เป็นอย่างนั้นนี่เป็นภาคปฏิบัติที่เราปฏิบัติโดยลําพังเรามันเป็นอย่างนั้นจริงจริงนนะอ๋อประกาศต้งวานขึ้นในนี่อย่างไงที่นี่ยอมรับไปด้วยนะเอจิตนะน้อมรับมันมันมันมันรับทันทีเช่นเดียวกับภาคปฏิบททัติอื่นอัน น, ะ น, นี้ หางออกมาเลยย้อนตาบเข้ามาันนี่ลนะทันทีทีโกอากาศดโกเอยิปติโกโอปาญิโกนี่ตะกี้นี่ไปถึงโอปาณยิโกคือเห็นอะไรอะไก็ตามให้น้องเข้ามาเป็นธรรมสอนเด็ของสอนเด็ของเรื่องนี้เรื่องทั่วอะไรให้โอปาณิโกคือน้องเข้ามาเป็นเครื่องท่อมสอนเด็ของเรื่อยๆไปอผู้ปฏิบัติต้องเป็นอย่างนั้นนะแล้วก็ปจัจเจเนติโบยีนีิอันท่านรู้ทั้งหลายจะพิงรู้จำพ่อตนใครรู้ใครผู้รู้ใครจะไปรู้ ก็ผู้ปฏิบัติตัวเองจะเป็นผู้รู้จาะต้นผู้ไม่ปฏิบัติเอาอะไรมารู้แน่คูณมาเหนื่อยอยู่แล้วอะละพอเหนื่อยอีกแล้ว